วันนี้ต่อในสัภาสวัสสูตรเมื่อวานพูดถึงในเรื่องของอริยสัจสี 4, ก็ได้แค่ทุกข์กับสมุทยัยเนะี่ยยังไม่ยังไม่จบเพราะในมัชฌิมานิกายมุรปันนาตในสภาสวสูตรสูตรที่ว่าด้วยการลระอาสวะทั้งปวงเนี่ยก็เพิ่งได้ในข้อแรกในข้อแรกนั้นท่านประชุมลงในอริยสัจด้วย อริยสัจสที่มีองค์ธรรมตามหลักพระวิธรรมกับทุกขสัจจะก็คือโลกียจิบเอเจตสิก5 1เวทโลภรูป28สมุทัยสัจจะก็คือโลภเจตสิกที่โรธาสัจจะคือพระนิพพานมรรคสัจจะหมายถึงมรคมีองค์8หรือองค์มรค8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นในมรรคจิตทั้งสตรงนี้ก็เหมือนข้อความที่กล่าวเข้าไว้บอกโสยทางทุกขันติเป็นต้น กรพึงทราบบอกว่าทำที่เป็นไปในภูมิ3นี้เป็นทุกข์ทำที่เป็นไปในภูมิ3ก็ <c oughs> คือทำที่เป็นไปในการมาวจรภูมิรูปาวจรภูมิรูปาวจรภูมิเนี่ยก็คือขันห้านั่นเองขันห้าอายตนะธาตุทั้งหลายที่เป็นไปในการมาภูมิรู ป, ปรภูมิและรู ป, ปรภูมิเนี่ยเป็นทุกขสัจจะเว้นตัณหาด้วยนะตัณหาก็ชื่อว่าเป็นสมุทัยสัจจะความไม่เป็นไปของทุกขและทุกขสมุทยัยทั้งสองก็เป็นนิโรธาสัจจะ ทางที่ถึงความดับทุกข์ก็เป็นมัคคสัจจะเนี่ยเวลาพิจารณาหรือ ด, ดําเนินหรือทําความเข้าใจเกี่ยวในเรื่องของประชุมลงในอริยสัจเนี่ยคำสอนพระพุทธเจ้าทุกอย่างก็จะต้องประชุมลงในอริยสัจนี่แหละจากนั้นก็เลยมาพูดถึงในกิจของอริยสัจสี่ทุคสัจจะก็เป็นกิจควรกําหนดรู้กิจจายาในทุกเน่ยก็คือรู้ทุก ก็พึงปริญญาก็คือรู้สภาวะที่เป็นทุกข์รู้สภาพมันเป็นที่ตั้งของทุกข์แล้วก็รู้ว่าตาแหน่งแห่งที่ของทุกข์ซึ่งจะต้องตามรู้ตามสภาพี่แท้จริงของมันคือไม่ใช่รู้ตามที่เราอยากให้มันเป็นนะหรือตามที่เราเกลียดชังมันเป็นต้นไม่ใช่รู้แบบนั้นแต่การเข้าไปรู้ทุกข์ได้แก่การขั้นถแถลงก็คือสารวจปัญหาที่จะต้องทาความเข้าใจแล้วก็รู้ขอบเขตรู้ให้ชัดในทุกนั้น ฉนั้นทุกยังเป็นกิจของปัญญาส่วนกิจญาในสมุทัยก็คือรู้สมุทัยก็ะพึงปหานะปะหานะในที่นั้นแปลว่ารู้สิ่งที่เป็นสาเหตุแห่งทุกสมุทัยของทุกซึ่งจะต้องกาจัดเสียถ้าจัดเป็นขั้นก็จะแก่ขั้นสืบคน้นวิเคราะห์และก็วินิจฉัยมูลเหตุของปัญหาซึ่งจะต้องแก้ไขและกาจัดออกให้หมดสิ้นไปนั่นคือเหตุของทุก กิจยานในนิโรธะก็คือรู้นิโรดนี่นิโรดก็คือพระนิพพานนั้นพึงสัจจิกิริยาก็คือรู้ภาวะความดับทุกข์ซึ่งจะต้องทําให้ประจับแจ้งถ้าจัดเป็นขั้นก็ได้แก่ขั้นเล็งรู้ภาวะหมดปัญหาหรือที่หมายถึงว่าหมายถึงจุดหมายให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาเป็นไปได้และจุดหมายนั้นควรถึงซึ่งจะต้องทําให้สําเร็จ โดยการรู้เข้าใจว่าการเข้าถึงจุดหมายนั้นจะสําเร็จหรือเป็นไปได้อย่างไรนั่นเป็นขั้นจุดหมายไปกิจยานเนมมัคคอรู้มัคก็เป็นผาพึงภาวนาภาวนาคือเจริญรู้มัครู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ซึ่งจะต้องฝึกฝนปฏิบัติพัฒนาเจริญเดินหน้าไปถ้าจัดเป็นขั้นก็ได้แก่ขั้นกําหนดวางหรือรับทราบวิธีการขั้นตอนและรายละเอียดทั้งหลายในการที่จะแก้ไขจัดการสาเหตุของปัญหานั้นซึ่งจะต้องลงมือปฏิบัติ หรือดำเนินการต่อไปพูดง่ายๆก็คือทุกคือปัญหาของเราคืออะไรทุกนั้นเกิดจากอะไรเราต้องการหรือพึงต้องการผลสำเร็จอะไรและจะเป็นไปได้อย่างไรเราจะต้องทำอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่าจะต้องทำความเข้าใจในสัจจยานกิจยานและกัตายานเนี่ยยาน3านี่แหละที่เรียกว่ายาณทัศนะอันมีปริวัตรหรือปริวัต สแห่งยาณ น, นัศนสนาหมายถึงอย่างรู้ให้ครบสามรอบอันแรกก็คือสัจจญานอย่างรู้สัจจะ ก, ก็คืออย่างรู้อริยสัจสีแต่และอย่างตามที่มันเป็นว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกเนี่ยทุกคืออย่างนี้อย่างนี้เหตุให้เกิดทุกคืออย่างนี้อย่างนี้ภาวะความดับทุกคืออย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ทางแก้ไข วิทางให้เข้าถึงความดับทุกข์คืออย่างนี้อย่างนี้นี่เขาเรียกว่ารู้สัจจายานสัจจะทั้ง4ี่รู้ทุกสมุทัยนี่โรดมากนี่นะนี่ขั้นสัจจายานรู้เนี่ยเป็นสัจจะเป็นความจริงทีนี้ยานในอริยสัจครบ4ข้อเนี่ยอันเป็นอันครบหนึ่งรอบนี่เป็นปริวัตรที่หนึ่งส่วนกิจายาณเนี่ยอย่างรู้กิจกิจก็คือการอย่างรู้หน้าที่ที่จะต้อง ทำต่ออริยสัจแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละอย่างว่าทุกควรกําหนดรู้เนี่ยควรเอาทุกเนี่เป็นกิจที่ควรกําหนดรู้ควรเอาอะไรไปกําหนดรู้ควรใช้ปัญญาไปกําหนดรู้เนี่ยสมุทัยเป็นกิจที่ควรละใช้อะไรไปละก็ใช้ปัญญานี่แหละไปรอบรู้แล้ไปละนิโรธควรทําให้แจ้ง <enam> เป็นกิจที่ควรทําให้แจ้งให้เห็นประจกักษ์เนี่ยมาร์กเป็นกิจที่ควรจเจริญเนี่ยอันนี้เป็นกิจยาณนะกิจยานในอริยสัจ4ี่ครบสข้อก็เป็นครบอีกรอบหนึ่งก็เป็นปริวัตร เป็นปริวัติหนึ่งส่วนกตตาญานเนี่ยเป็นการอย่างรู้การกระทําแล้วคือการอย่างรู้ว่ากิจอันจะต้องทําในเริยสสี่แต่ละอย่างนั้นได้ทําเสร็จแล้วรู้ว่าทุกข์ควรกําหนดรู้ก็ได้กําหนดรู้แล้วสมุทยัยควรละประเดละแล้วนิโรธควรทําให้แจ้งก็ได้ทําให้แจ้งแล้วมกักเป็นกิจที่ควรปฏิบัติควรเจริญก็ได้ปฏิบัติแล้วนั้นกัตตาญานในเริยสสี่ครบ4ข้อก็เป็นอันครบอีกรอบหนึ่งเป็นปริวัติหนึ่ง โดยในนี่ยานสนั้นก็เป็นไปในเริยสสี่นะยานละ1รอบจึงเป็นสรอบสาปริวัติก็เรียกเต็มๆว่ายานนณทัศนะมีปริวัติ3นนเนี่ยนะเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็ปริวัติก็คือวนรอบ3เนี่ยแต่ละรอบก็คือเป็นไปในเริยสสี่ครบทุกข้อจึงรวมเป็น12รายการเรียกว่าคําศัพท์ว่ามีอาการ12บสงจึงพูดให้เต็มว่ายานทัศนะ มีปริวัติสามีอาการ12บริบพระพุทธเจ้าแสดงทรงมียานัทัศนตามความเป็นจริงในเรียสสี่เนี่ยครบปริวัติสามีอาการ12ได้ความรู้แจ้งครบ12รายการแล้วจึงปฏิญาณพระองค์ว่าได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุิธญาณแล้วถ้าไม่ตัดสรุรอบสาอาการ12เพียงใดพระตถาคตก็ยังไม่ปฏิญญาณตนเองว่าเป็นอนุตตรสัมมาสัมพุท หรือไม่ไม่ปฏิญาณตนเองว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะจากการที่พระองค์ทรงตัดสรุ้รอบสาอาการ12ในอริยสัจ ส, สนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าจึงยืนยันตนเองว่าพระ อ, องค์เนี่ยเป็นพระอรหันตแต่สัมมาสัมพุทธเจ้าตัสรุปสัจจะสีได้ตน เ, เองเป็นต้นแล้วก็ปฏิญญาณตนเองว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะแล้วก็ประกาศยืนยันพร้อมทั้งมนุษย์เทวดาและพรหมทั้งหลายว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นาศาสดราเอกของโลกเลยว่างั้นเถอะ ให้คนมาว่าถ้ายังไม่ได้ตัดสรุนี้ตราบใดก็ยังไม่ยืนยันพระองค์ก่อนจากการที่ตัดสรุนเรียสสีรอบ3ามอาการ12นี้แหละพระองค์ก็ยืนยันนะยืนยันความเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธาเลยพอจะพอจะมองออกไหมคาว่ารอบสคือกิจยาณรอบหนึ่งคอย<อ>สัจญานรอบหนึ่งนี่เป็นสัจจสีแล้วกิจยานอีกรอบหนึ่งกิจในเรียสสีกตายานก็คือได้ทากิจในเรียสสีแต่ละ อ, อย่างครบแล้วเนี่ยเรียรอบสาม กปริวาสสามอาการสิบสองก็คือในอริยสตรีนี่อย่างเช่นทุกเนี่ยนะทุกนี่ ก, นก็หนึ่งและใช่ไมสมุทยัยสองนิโรธสามมรรคกัสี่เนี่ยเนี่ยสัจจาก็มีสี่กิจยานก็กิจในการกาหนดในการรู้อริยสตรทุกเป็นกิจที่ควรกาหนดรู้สมุทัยเป็นกิจที่ควรละนิโรธเป็นกิจที่ควรทาให้แจ้งมรรคเป็นกิจที่ควรปฏิบัติทีวควรเจริญอันนี้เป็นกิจยานก็เป็น4 4บวก็เป็น 8. ปดส่วนกาตยานบอกทุกเนี่ยพระองค์นทรงรอบรู้แล้วหมดสิ้นแล้วไม่มีไม่มีทุกใดๆเหลืออยู่เลยที่ที่จะไม่มีปัญญาปัญญาของพระองค์จะไม่ไปแทงตลอดทุกนั้นนั้นแทงตลอดวิจัยครบถ้วนหมดแล้วทุกทั้งหลายในมวลในในสากลจักรวาลทั้งหลายนี่พุทเจ้าใช้ญาณปัญญาไปแทงตลอดทุกขัสจหล่านี้หมดแล้วบอกกันเถอะกระแสขันกระแสธาตุกระแ ส, ะ ส, าะสอายตนะกระแสสัจจะอินทรีย์ทั้งหลายมีอยู่เท่าใดบรรดาเท่าไหร่ บรรดาศัตว์มีเท่าไรพยานของพระพุทธเจ้าก็มีเท่านั้นโลกธาตุมีเท่าไรพยานของพระพุทธเจ้าก็มีเท่านั้นฉะนั้นไม่ว่าบรรดากระแสขันธาตุอายตนะของสัตว์ทั้งหลายหรือของโลกธาตุทั้งหลายที่มีอยู่ในสากลจักรวาลทั้งสิ้นเนี่ยไม่มีเลยที่พยานของว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่เข้าไปกระทบหรือเข้าไปสัมผัสหรือเข้าไปแทงตลอดเนี่ยพระองค์ยืนยืนยันว่าเนี่ยทุกขสัจจะนี้พระองค์เนี่ยรอบรู้หมดแล้วไม่มีทุกขสัจจะใดๆเลยที่ที่จะหลุดข่ายพยานของพระพุทธเจ้าไปได้เนนป็ต้ ส่วนในในเรื่องของสมุทัยเนี่ยพระองค์ก็ละได้หมดสิ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นการมาตัญหาบาวะวัตัญหาวิภวะวัตัญหากิเลสอคติสารกรรมอลาโมกทั้งหลายเหล่านี้ที่อยู่ในกระแสะขันธะดยตนะของพระองค์ทั้งหลายเนี่ยทรงประหารได้หมดเกลี้ยงแล้วนี่พระองค์ได้ทาให้หมดสิ้นแล้วแล้วไม่ใช่แค่นั้นแล้วพระองค์รู้ด้วยกระแสะสมุทัยยะสัจจะหรือกิเลสตัญหาในบรรดากระแสะชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในสรารกลจักรวาลมิมีปริมาณกิเลสเหลือเท่าไหร่ กิเลสหนากิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดเนี่ยบุคคลที่มีทุลีในดวงตามากน้อยอย่างไรนี่พระ อ, องค์สามารถมีอินเดียปรโรปเริยติยานเข้าสามารถไปอย่างรู้ได้ด้ว ย, ยพายานมีขนาดนั้นนีว่าสัตว์เหล่านี้จะสามารถทํากิเลสให้หมดหรือไม่หมดอย่างไรในอัธยาศัยนี้ไม่สามารถจะทําให้หมดได้แต่ในการต่อไปจะทําให้หมดได้หมดไม่ได้เป็นต้นอะนี้เนี่ยพายานตรงนี้ก็สามารถรู้ได้มีทั้งอินเตียปรโรปเริยติยานรู้ความอ่อนความแก่อินทรีย์ของสัตว์เดือ สัตว์พวกนี้มีศรัทธาแก่กล้ามีศรัทธาอ่อนมีวิริยะแก่มีวิริยะอ่อนมีสติแก่กล้ามีสติอ่อนมีสมาธิแก่กล้ามีสมาธิอ่อนแอมีปัญญาแก่กล้าหรือปัญญาอ่อนแอยังไงเนี่ยพญานุริทยาเข้าไปรู้ความแก่ความอ่อนเขาอินสีของสัตว์เหล่านี้ได้ด้วยแล้วก็มีเกี่ยวในเรื่องของอาสานุสยญาณด้วยพยานที่ไปรู้อัธยาศัยอนุสัยของสัตว์ทั้งหลายเพราะสัตว์เหล่านี้มีการมราคาอนุใสปฏิฆานุัย ทิฏฐานุสัยมานานอนุสัยอวิชานุสัยเป็นต้นเหล่านี้ว่าเอออนุสัยเหล่านี้มีอยู่ในใจสัตว์อยู่ฝังแน่นอยู่หรืออนุสัยเหล่านี้บางอย่างถูกขัดหมดไปแล้วอย่างไรเนี่ยพระพุทธเจ้ารู้ให้เวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมไปปุ๊บเนี่ยกิเลสของสัตว์ทั้งหลายลดลงเพิ่มขึ้นหรือคงที่เนี่ยพระพุทธเจ้าตรวจสอบปุบป๊บได้หมดเลยเนี่ยฉันพระองค์แทงตลอดตัวเนี้ยฉันให้เชื่อพระพุทธเจ้าว่าแม่เดนว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยแ ท, ยยทงตลอดพวกสัตว์จ่าหมด ในสากรายจักรวาลและสมุทรยศสจักพระองคก็รู้หมดด้วยรู้ว่าเนี่ยสมุทรไทยกิเลส ข, ของท่านผู้ใดมีเท่าไรเท่าไหรเท่าไร่เวลาฟังธรรมหรือปฏิบัติธรรมมากไปแล้วเนี่ยมันลดลดลดลงยังไงหรือมันไม่ลดเลยมันมันมีความนผิดเพิ่มขึ้นยังไงเนี่ยหรือคงที่หรือมีโอกาสจะจะลดอย่างไรแล้วฟังเรื่องอะไรปฏิบัติอย่างไรธรรมะมวดไหนสมควรแก่ท่านพูกนี้โอ้โหรู้ขนาดนั้นเนี่ยวิาจเาเป็นสัพพัญยูคือตรงนี้แหละ สามารถรู้บรรดาอินทรีย์ของสัตว์รู้อัธยาศัยของสัตว์รู้ความแก่อ่อนของอินทรีย์ของสัตว์รู้ว่าสัตว์นี้มีอาการดีอาการเลวยังไงว่างั้นเธอแก้ไขได้ไม่แก้ไขได้ยังไงโปรดได้โปรดไม่ได้สอนได้สอนไม่ได้เนี่ยนะโอ้พระองค์รู้ขนาดนั้นนี่นี่นี่คือพยานที่ออมหาสัจจันนะที่ทรงได้จากการตัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิทิฏฐานเนี่ยนะนี่นี่เป็นไปในลักษาอย่างเงี้ยแล้วก็นิโรธาสัจจานีิรงรู้พระนิพพาน ออสัตว์ทั้งหลายที่ผ่านมาน่ะได้บรรลุพระนิพพานแล้วอย่างไรเข้าถึงพระนิพพานโดยการเป็นพระโสดาบันสกาทานาคาหรือเป็นพระหันหรือท่านผู้นี้มีอัธยาศัยไม่มีอัธยาศัยในการที่จะบรรลุพระนิพพานได้อย่างแน่นอนในการในปัจจุบันนี้หรือในการต่อไปอย่างไรเนี่ยพระองค์ก็จะสามารถวางจุดหมายไว้ให้ได้ว่าท่านผู้นั้นมาศึกษาคําสอนของพระเจ้าปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนพระเจ้าเนี่ยพวกก็ มีพระคมหากรุณาที่คุณใช่ไหมในการที่วางเป้าหมายไว้ให้กับบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นว่าต่ต่อไปในสัตว์เหล่านี้ประพฤติปฏิบัติไปแล้วจะสามารถเข้าถึงอัธยาศัยตรงนั้นเป็นต้นได้และที่สําคัญที่สุดก็คือรู้มรรคสัจจ์ว่าสัจจญาณ น, นี่พระองค์ก็ทรงรอบรู้หมดแล้วนีไอ้กรณีมรรคสัจเนี่ยนะทรงทรงสามารถปฏิบัติและเข้าถึงแล้วเข้าถึงแล้วว่าไอ้บรรดาสติปัฏฐานสมปรคฐานอิทิบาทสี 4. สีห้าพระห้าโพชงเจ็ดอริยมรรคมีองค์แปดที่เป็นหลักการดำเนินการที่จะเป็นข้อปฏิบัติให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายจะเข้าถึงความดับทุกข์เนี่ยพระเจ้ารู้ว่าท่านผู้นี้ควรฟังธรรมะหมวดไหนควรจะเจริญธรรมะหมวดไหนอย่างไรจเจริญกรรมฐานประเภทไหนจเจริญศีล ส, สมาธิปัญญาอย่างไรท่านผู้นี้ควรเหมาะแก่การที่จะ ฝึกฝนพัฒนาอย่างไรที่จะประชุมองมาร์กอย่างไรเนี่ย พ, u, aren, kan, u, ale, พุทธเจ้ารู้เนี่ยรู้วิธีการรู้หลักการรู้รู้บรรดาใจสัตว์ทั้งหลายว่าท่านพวกเนี้ยต้องใช้เริ่มต้นจากตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะว่างั้นเด้อในการที่จะประชมุมศีลสมาธิปัญญาประชุมโพชงเจ็ 7, หรือมาร์กแปดเนี่ยต้องเริ่มต้นอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้ถึงจะเหมาะบางคนโอ้โ ห, โหเนี่ยยกตัวอย่างเช่นบางคนต้องไม่รู้เลยเนี่ยต้องปูปูอัธจฉรัยะส้ยแต่ทานเลย เรื่องทานเนี่ยสละนอกสละในยังไงนีทานศีลด้วยอานิสงส์ของทานในศีลเป็นยังไงเรืองสวรรค์ในสักคถ า, าแล้วก็พูดถึงการมาทีนะว่าคถาโทษของกามด้วยโทษของกามมาภูมิโทษของวัตตาโทษของขันห้าโทษของการที่ต้องแบกขันธภาละเป็นยังไงแล้วก็เนคขมานี้สังสารคาถาบวกอานิสงส์ขอการออกจากกามเนี่ย เพราะงั้นเถอะหรือ ก, การที่จะน้อมจิตออกจากกรรมเป็นเน่ยขมมะนี่ที่แท้จริงออกจากการมมาฉันทะออกจากพยาบาทออกจากถีนมิทะออกจากอุเทจา ก, กุกุจจาแล้ออกจากวิจิกิจฉาอย่างไงเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยพระเจ้าก็พนอน้อมจิตให้ใจของสัตว์นั้นห่างจากกรรมมาคุณแล้วห่างจากรูปเสียงจิตรสผลทัพอันหน่าปรารถนาหน้าไข่แล้วเนี่ยใจของสัตว์นั้นก็เริ่มสงบ พอใจของสัตว์นั้นเกิดเริ่มสงบสว่างสะอาดตั้งมั่นแกล้วกล้าอาถานมีศรัทธาที่มั่นคงแล้วผ่องใสแล้วพุทธเจ้าก็ไปชมมรรยาสัตว์เลยแสดงทุกสัตว์จ่เป็นยังไงสมุทัยสัจจะเป็นยังไงนิโรธาสัจจะเป็นไงมรรษสัจจะเป็นไงสัตว์นั้นก็มีปัญญาอย่างเห็นสัจจสีแล้วก็บรุเป็นพระโสดาบันบ้างสกทาคาบ้างอนาคาบ้างเป็นพระอรหันต์บ้างตามอัธยาศัยของสัตว์นั้นนเลยเนี่ยนะนี่พุทธเจ้ารู้ขนาดนั้นนี่เขาเรียกว่ากัตยานเน การกระทําแล้วคืออย่างรู้ว่ากิจญาณิยสัจสีแต่ละอย่างนั้นได้ทําเสร็จแล้วบอกกันเถอะพระองค์ทำของพระองค์นี่เสร็จแล้วทั้งทุกขสัจจะก็รอบรู้หมดแล้วสมุทัยสัจจะก็ไร้ได้หมดสิ้นแล้วดิโรทัศสัจจะทรงทําให้แจ้งแล้วมรรคสัจจะเจริญและอบรมแล้วไม่ใช่แค่นั้นรู้ด้วยว่าท่านพันผู้ใดจะบรรลุหรือเคยบรรลุมาแล้วและจะบรรลุในปัจจุบันและจะบรรลุในการต่อไปรู้นะอย่างรู้ตรงนี้ด้วยเนี่ยทรงทรงรู้ในลักษณะอย่างนั้น แล้วไม่ใช่รู้อย่างรู้จุดหมายบอกจุดหมายของสัตว์ด้วยและยังบอกวิธีการบอกข้อปฏิบัติตรงนี้พระองค์จึงเป็นบรมครูเนีเป็นบรมครูเป็นศาสดาเอกของโลกเป็นบรมครูเป็นศาสดาเอกของโลกด้วยอันตรงนี้แหละพระพุทธจาจึงเป็นบุคคลที่เป็นเอกบุรุษเนีเป็นบุคคลคนเดียวในจักรวาล น, นี้ที่อุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อยังประโยชน์ให้กับเหล่าสัตว์ทั้งหลายนีย สัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีศรัทธาเนีม่มีศรัทธาเป็นต้นเหล่านี้จนถึงไม่มีปัญญาให้มีปัญญานี่คือข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในในอริยสัจีนะตรงเนี้ยนั้นเราทั้งหลายเวลาศึกษาคําสอนพระพุทธเจ้าก็ต้องเห็นคุณของพระพุทธเจ้าตรงนี้ชัดนะเพราพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ดิเป็นเอ่ออย่างที่เราเข้าใจในะอย่างที่เราเข้าใจนั้นเวลาเราถึงเนี่ยขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องกำจัดภยัยเป็นที่เป็นไปในเบื้องหน้าปุ๊บหนึ่งมีกําลังใจขึ้นมาว่าเรามีหลแแ ล, บ, ลแบบตแ้้นว เรามีบุคคลที่จะนําพาชีวิตของเราให้รอดปลอดภัยจากทุกโทษภายในสังสารวัตแล้วไม่มีความมั่นใจนี้ขึ้นมาก็เกิดพลังใจขึ้นมาน้อมที่จะฟังพุทธิย่าพอน้อมที่จะฟังก็ได้หลักการได้วิธีการนะได้ข้อปฏิบัติแล้วเห็นจุดหมายชีวิตของตอนเองไม่หลงไหลไม่ไม่ไ ม, มึนมึนโมโมวอย่างเก่าก่อนใช่ไหมก็เกิดความชาญฉลาดขึ้นมาเกิดความรอบรู้ขึ้นมาตื่นตัว ตื่นตัวขึ้นมาแล้วก็น้อมในการที่จะฝึกตนเองให้ถึงให้นำพาตนเองเข้าถึงความดับกิเลสและกองทุกข์แก้ปัญหาตัวเองได้อย่างแท้จริงเนี่ยไม่มีใครลอกที่จะสามารถรู้จักเราเท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมคนไม่แทงตลอดอริยสัจสจะรู้จักอะไรเราจะรู้จักเราได้ยังไงใช่ไหมคนที่จะรู้จักเราต้องรู้จักทุกคนจะรู้จักเราต้องรู้เหตุให้เกิดทุกข์คนที่จะรู้จักเราดีต้องรู้จุดหมายนะ จุดหมายคือความดับทุกข์เป้าหมายจุดหมายเนี่ยที่จะดําเนินชีวิตไปถึงนะแล้วก็คนที่จะรู้จักเราดีต้องรู้จักข้อปฏิบัติวิธีการปฏิบัติวิธีการฝึกผลพัฒนาตนเองเพื่อจะดําเนินไปสู่ความดับทุกข์นั้นคนอย่างนี้ต่างหากที่เราควรน้อมใจหรือควรไว้วางใจควรที่จะมอบกายและใจน้อมบูชาท่านอยู่นี้เพราะท่านรู้จักเราแล้วก็รู้จักว่าเราเนี่ยควรจะดําเนินชีวิตอย่างไรและบอกข้อปฏิบัติของเราได้และสามารถจะนําพาชีวิตของเราให้ออกจาก โนตมออกจากโลงออกจากอบายเยตภัยอบายเยทุกเป็นต้นได้ออกจากปัญห า, อ อ, า ations, ออกจากอุปสรรคเข้าถึงความปลอดโปร่งโล่งและความความปลอดภัยเป็นปต้นได้คนแบบนี้ต่างหากที่ควรมอบ ก, กายถวายชีวิตใช่ไหมเราถ้ามองงี้ป ب, ุ๊บเราก็เออเข้าใจแล้วเนี่ยคนประเภทนี้เหมาะเหมาะกับการที่เราเนี่ยจะมอบ ก, กายถวายชีวิตถ้าคนอื่นจบว่างท่านจะคัดมไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่เป็นบุคคลที่เราจะคว ร, ค, วรคิดถึงไม่ใช่เป็นบุคคลที่เราควรจะมอบ ก, กายถวายชีวิตไม่คุณไม่ใช่คนที่เราจะไป ฝากความเชื่อไปไว้กับพระปุริยาพุทธานี่เป็นยุคปัญญานี่แล้วเป็นปัญญารู้สัจจสีด้วยอย่างนี้สิแล้วควรเชื่อปัญญาประเภทนี้แหละนั้นก็เอาความเชื่อไปฝากไว้กับปัญญาที่ไปแทงตลอดสัจจสีไม่ใช่เอาปัญญาไปฝากไว้กับใครก็ไม่รู้รัททิเอยรัตทิเอยบุคคลเอยองค์กรเอยสถาบันเอยไม่ได้เรื่องแบบนั้นเด้อไม่ได้เรื่องเพราะฉนั้นมีดีจริงนี่แต่ถ้าเราศรัทธาความเชื่อมั่นไปฝากไว้กับปัญญาที่แทงตลอดสัจจสีพูดชัดสิเพราะเกิดศรัทธาก็ไปเชื่อปัญญา ปัญญาก็สามารถมาขัดรเราเราทําให้เราเห็นทุกข์อ่ะทำให้เห็นปัญหาที่แท้จริงอะ่ะเห็นเหตุของปัญหาเหตุของทุกข์อ่ะแล้วก็รู้จุดหมายความดับทุกข์เนี่ยรู้ปฏิบัติาข้อปฏิบัติดําเนินชีวิตเข้าถึงความดับทุกข์ฉะนั้นจึงควรเอาปัญญาเนี่ยไปมอบไว้เออเอาศรัทธาไปมอบให้ปัญญาประเภทเนี่ยเนี่ยเชื่อพุทธิยาก็เชื่อตรงนี้เชื่อปัญญาของท่านเชื่อปัญญาของท่านที่สามารถแทงตลอดสัจจะ4ได้แต่โดยตัวเองและปัญญาของท่านบอกหลักการบอกวิธีการบอกข้อปฏิบัติ ประมวลหลักการทั้งหลายเหล่านี้ทำให้เราเนี่ยดำเนินตามไปแล้วเนี่ยเข้าถึงปัญญาประเภทนั้นด้วยเนี่ยพอจะมองเห็นคำว่าสัมมาสัมพุทธะเชื่อมโยงกับชีวิตเราอย่างไเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของมวลมุมมนุษยชาติอย่างไรเป็นประโยชน์แก่กระแสชีวิตของสัตว์โลกอย่างไรใช่ไหมนั้นปัญญาสัมมาสัมพุทธะเนี่ยสัมมาสัมพุโทโธนี่จึงเป็นประโยชน์จึงเป็น จึงเป็นหลักที่สําคัญมากที่จะสามารถทําให้ศาสตร์ทั้งหลายที่เอาเอาความเชื่อเหล่านี้ไปมอบไว้กับปัญญาตรัสรู้แล้วก็ฝึกฝนพัฒนาให้ปัญญาเกิดในตนเมื่อปัญญาเกิดในตนขึ้นมาแล้วก็จบภาราทันตีในนี้เราก็โอ้โหเราเห็นเองแล้วทุกเราก็เห็นแล้วสมุทัยเราก็ล้าได้แล้วนิโรธก็ทําให้แจ้งแล้วมรรคก็เจริญอบรมบริบูรณ์แล้วเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็กชัดเจนแล้วว่าอ๋อเนี่ยการเห็นพุทธเจ้าเห็นแล้ว ก็คือเห็นพุทธิยาก็คือเห็นอริย ส, สัจสเห็นพระธรรมก็คือแทงตลอดอริย ส, สัจสีเห็นพระสงฆ์ก็คือนี่แหละการเข้าถึงอริยเข้าถึงเข้าถึงในการรู้อริย ส, สัจสีพุทธธรรมมาสังฆาก็เลยากายเป็นถ้ายังไม่ตัดสรุรอริย ส, สัจสตราบใดการเข้าถึงสารณคมก็ยังไม่มั่นคงแต่ถ้าตัดสรุรอริย ส, สัจสีปุบ๊บเมื่อไหร่เนี่ยการเข้าถึงโลกุตตรสารณคมก็ชัดใช่ไหมกระแสชีวิตก็ไม่กลับมาเจ็บปวดในสังสารวัฏอีกต่อไปนี่เป้าหมายเป็นลัทธิไบมี่นะฟังยากไหมเนี่ย ยากว่ะฟังทันไหมทันใช่ไหมนี่เป็นอย่างเนี้เพรพอเข้าใจแล้วประมวลต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาบางทีถ้าหยิบมาเอาพระสูตรต่างๆมาอ่านอ่านอ่านอ่านเนี่ยถ้าไม่ถอดความออกมาอย่างนี้มันก็จะเข้าใจยากใช่ไหมถ้าพูดอย่างเนี้ยถอดใจความออกมาคือประเด็นคืออยู่ตรงนี้ยให้เข้าใจว่าอริยสัจสีเนี่ยสําคัญยังไงใช่ไหมเพราะฉะนันอ้อริยสัจสี่การเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธาก็คือแทงแตลาดอริยสัจส การเป็นสาวกกับพุทธะก็คือไปตัดสั่งลวยอริยสัจสตามพุทธิจารตามสัมมาสัมพุทธะนี่แหละแม้ปัจเจกับพุทธะก็ตัสร่งวยอริยสัจสีสาวกับพุทธะก็ตัสร่งวยอริยสัจสีตามตามสัมมาสัมพุทธะฉะนั้นอริยสัจสจึงเป็นหัวใจเนี่จะเป็นจะเป็นเป้าหมายสูงสุดในการที่มวลมนุษย์ทั้งหลายควรจะไปรู้ถ้าไม่รู้อริยสัจสีก็ไม่รู้ปัญหาตัเองถ้าไม่รู้ถ้าไม่รู้ทุกข์ไง่ม้ถ้าไม่รู้อริยสัจสี่ก็ไม่รู้เหตุของปัญหา ถ้าไม่รู้อริยสัจสีก็ไม่รู้หนทางข้อปฏิบัติหรือวิธีการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การดับปัญหาจบเลยชีวิตก็มีปัญหาอยู่ล้ำไปชีวิตก็ประสบความทุกข์อยู่ล้ำไปฉะนั้นอริยสัจสจึงสําคัญในคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงประชุมลงในอริยสัจสไม่ว่าอะไรทั้งนั้นนั้นถ้าใครไม่สามารถประมวลคําสอนพระพุทเจ้าสรุปลงในอริยสัจสแปลว่าท่านคนนั้นไม่เข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่รู้จักพุทธศาสนาที่แท้จริงนะพุทธศาสนาที่แท้จริงอ ใ, ใจความสำคัญที่สุดก็เลยเมา อ, อยู่ตรงไหน อยู่การรู้จักอริยสัจหรือไม่ถ้าไม่รู้อริยสัจ ต, ตามความเป็นจริงเ่ยจะไปบอกว่าท่านหมูนั้นเข้าใจคําสอนของวุฒิเจ้าอันนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ฐานะเป็นไปไม่ได้แล้วก็พ้นทุกข์ไม่ได้ด้วยไม่รู้จักอริยรสัจสีพ้นทุกข์ไม่ได้มองออกไหมเออนี่เป็นอย่างเงี้ยนั้นจึงเป็นความสําคัญและจําเป็นมากที่เราจะต้องเข้าเข้าใจแล้วก็รู้จักอริยสัจพอรู้จักอริยรสัจสีเมื่อไหร่พวกก็รู้จักตัวเองมากขึ้นเห็นไหม เพราะกระตุ้นตัวเองเนี่ยในขันของัวเองกระแสชีวิตตัวเองมันเป็นทุกข์แล้วเขต ท, ที่ทําให้เกิดกระแสของชีวิตนี่เป็นสมุทัยแล้วนะดับทุกข์ดับเขตที่เกิดทุกข์ได้เป็นนิโรธแล้วดําเนินไปสู่ความไปสู่นิโรธได้เป็นมรรคเนี่ยชีวิตก็หมดปัญหาหมดทุกข์แล้วก็ไร้ไร้ฝ่ว่าอะไรเนี้ยนะเป็นอิสระเป็นเสรีภาพที่แท้จริงไม่ต้องขึ้นตรงต่อตัณหาหรือมาหน้าที่ต่อไป เป็นชีวิตที่ปลอดปร่งโล่งเบาและเป็นชีวิตที่อิสระจริงๆว่างั้นแต่แต่ตอนนี้เราถูกใครบงการอยู่อเออถูกตันหาบงการกกระแสชีวิตอยู่ชีวิตมันจึงไม่ปลอดภยอัยไงใช่ไหมมันถูกชักใยไยด้ตัวตันหาไอ้ตัวเหตุยได้เกิดทุกข์มันก็สร้างทุกข์อยู่ลําไปเนี่ยปัญหาก็ทุกข์มันก็ไม่มีใครลงเลยมันแก้ปัญหาผิดๆกันอยู่เนี่ยนะนี่เป็นไปลักษณะอย่างนี้ทุกข์น่ะโคกกิจก็คือป ร, ริญญานี่แหละในฐานะที่เป็นสิ่งที่ควรกาหนดรูด้ดังนั้นทุก และทำทั้งหลายที่อยู่ในจำพวกปัญหาเป็นที่ตั้งเห็นปัญหาก็เรียกว่าเป็นปริญญาธรรมทำที่ควรกาหนดรู้ทําที่ควรรอบดูนี่ต้องแยกแยะต้องทาความเข้าใจให้ชัดตรงนี้นะเป็นปริญญาธรรมฉะนั้นเวลาเจอทุกข์เจอปัญหาขึ้นมาปุ๊บเออปัญหากลายเป็นเรื่องของปัญญาไปแล้วทีนี้ทุกข์ก็เลยกลายเป็นเรื่องของปัญญาไปใช่หมหลายหลายคนจับประเด็นแรกๆยังจับไม่ถูกเลยว่าทุกข์มันคู่กับอะไรเนี่ยทุกข์มันคู่กับปริญญามันต้องไปทําปริญญาต้องไปรู้จักต้องไปแยกแยะมันเป็นเรื่องของปัญญาไม่ใช่เรื่องของใจ แค่ตั้งหลักแรกๆก็ตั้งกันไม่ถูกแล้วพอเจอทุกข์เจอปัญหาขึ้นมาแล้วเครียดกุ้มทุกทีเลยเออเนี่ยก็เลยไกลตัวไปเลยนีโอกาสจะพ้นทุกข์ก็ไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมเกลียดทุกข์กลัวทุกข์หนีทุกข์ไม่ใช่ฐานะอย่างที่จะพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่หนีได้ยังไงอ่ะไม่ใช่ไปหนีได้ยังไงอหนีตาหูจมูกลิ้นกายใจจะหนีไปตรงไหนหนีไปตรงไหนไปหลบซ่อนอยู่ตรงไหนอ่ะตรงไหนที่ไม่มีตาตรงไหนที่ไม่มีหูตรงไหนที่ไม่มีจมูกตรงไหนที่ไม่มีลิ้นตรงไหนที่ไม่มีกายตรงไหนที่ไม่มี หนีไปตรงไหนอ่ะที่เดียวเท่านั้นคือนิพพานนิพพานไปที่ดับตาหูจมูกลิ้นกายใจยังไม่จะไหลบซ่อนอยู่ในพบไหนในการมาพบรูปมาพบอรมณ์พบก็คือแบกทุกไปแล้วบอกไม่กลัวปัญหากลัวทุกไม่อยากเห็นปัญหาไม่อยากเห็นทุกไอที่เราแบกอยู่ทนท่ออยู่เนี่ยยกขันธพารัขึ้นเนี่ยไม่ใช่ทุกหรือใช่ไหมไม่หนีไปไหนตรงเนี้ยไปที่ไหนที่ตามันไม่ตามเราไปด้วยหูจมูกลิ้นกายใจคือขันธลูกน้ำขันห้า หนีไปที่ไหนมันไม่ตามไปด้วยมีไหมนี่แหละก็คือตัวทุบรุนๆเลยเนียทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปนอกเกทุกไม่มีอะไรเกิดนอกเกิทุกไม่มีอะไรดับใช่ไหมสิ่งใดยังมีการเกิดมีการดับอยู่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่นั่นก็คือทุกมันมันแสดงตัวเดงออกมาให้ปรากฏแล้วใช่ไหมล่ะเออจะรู้ความจริงข้อนี้แล้วก็ไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมันอทุกไม่เห็นมีกิจอะไรที่ต้องไปทําอะไรต่อมันมากมายก็เพียงใช้ปัญญาไปรู้จักมันเท่านั้นเอง ไปวิจัยไปแยกแยะเมื่อไปวิจัยไปรู้จักจากแล้วแยกแยะให้ละเอียดละอเบ็ดเสร็จแล้วหมดหน้าที่ยังหมดแล้วใช่ไหมไอ้สมุไทยเนี่ยก็เป็นกิจที่ควรเป็นละใช่ไหมไปดูไอ้ทุกเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาได้เพราะอะไรอ๋อเพราะตัณหาเพราะอาวิชชาคือความมืดบอดเพราะอุปาทานคือความยึดมัน่นเพราะกรรมเพราะสังขารทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยบรรดากีเลศทั้งหลายบรรดามีทั้งหลายเหล่านี้เป็นเหตุของ ทุกหมดเลยเป็นเหตุของกระแสชีวิตหมดเลยเอาก็ล้าซะทีใช่ไหมใช้ปัญญาไปรู้จักทุกให้ละเอียดละอก็รู้ที่ว่าเมื่อรู้ละเอียดละอแล้วตัวตัณหามันสร้างทุกสร้างยังไงก็มันสร้างกระแสชีวิตขึ้นมาในทุกอัตภาพที่เกิดเอาละสิตอนนี้พอมีตัณหาพอมีความทยานอยากพอมีอุปาทานพอมีความไม่รู้ เ, เพราะงั้นเดอพรามีสังขาร ก, การทํากรรมพอมีกรรมนี่แหละกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมทั้งหลายเหล่านี้มันก็ทํากรรมอยู่ล่ําไปทํากรรมก็เป็นปัจจัยในการสร้างทุกข์อยู่ล่ําไปเอาจะหยุดได้ยังไงอะไรทีนี้ก็กําจัดใช่ไหมเจริญปัญญาจนสา ม, มารถประชุมในอริยมรรคเป็นต้นได้ถอนตัณหากับทั้งรากได้เมื่อตัณหาเนี่ยไม่มาเพ่นพ่านไม่มาวุ่นวายในกระแสชีวิตอีกตัณหามันก็สร้างทุกข์ต่อไปไม่ได้ดังนั้นก็ถึงนี่啰 เนี <mammal>: ่ย<ม>วิธีการตรงนี้แหละนั้นเขาให้สังเกตดูไหมทุ ก, ทกเนี่ยทุกเนี่ยไม่ใช่เป็นธรรมะที่ควรเจริญสมุทัยก็ไม่ใช่ธรรมะที่ควรเจริญใช่ไหมเป็นธรรมะที่ควรละต่างหากทุกเป็นความหมายที่ควรกาหนดรู้สมุทัยเป็นธรรมะที่ควรละนิโรธก็มีใช่เป็นธรรมะที่ควรเจริญเป็น เ, เปนจุดหมายปลายทางพวกนั <erman. S 1> ้นเด้อเป็นเป้าหมายต่างหากจะเจริญได้ไงสามข้อเนี่ยเขาไม่เจริญข้อมัใช่ไหม ต้องไปเจริญข้อมรรคเนี่แหละข้อศีลสมาธิปัญญานี่แหละอันนี้เป็นธรรมะที่ควรเจริญพอเจริญศีลสมาธิปัญญาไปแล้วเนะี่ยศีลสมาธิปัญญานี่ก็เป็นกําหนดรอบรู้ทุกเนี่แหละเพราะงั้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นมาก็ไปรอบรู้ทุกวิจัยจนชัดเจนในทุกเป็นเสร็จก็ไปละอะไรตั้ณหาก็ถูกละไปเห็นไหมไม่เห็นจะต้องไปทําอะไรมันเลยโลภะโทสะโมหะไปทําอะไรมันไปทําได้ไหมไม่ได้แต่ต้องเจริญปัญญาขึ้นมาเจริญสมาธิขึ้นมาเจริญศีลขึ้นมา พอศีล ส, สมาธิปัญญาเกิดบริบูรณ์ในกระแสชีวิตแล้วลมันก็ทํากิจิร่างเพิมเนี่อย่างนี้เป็นต้นอันนี้เวลาไปนั่นผิดว่าโลภะเกิดขึ้นควรจะละยังไงโทสะเกิดขึ้นควรจะละยังไงโมหะเกิดขึ้นควรจะละยังไงโอ้ยถามอย่างเงี้ยถามลําบากไอ้ถามได้แต่ตอบยากจริงๆมันไม่ทํรรมามะที่ควเจริญที่ไหนเป็นทํามะทีควละต้องมาบอกวิธีการอยู่ดีทุกเนี่ยทำยังไงว่างั้นนะเราถึงจะรอบรู้ทุ ก, ก็มาพูดถึงหนึ่งมากพอปฏิบัติอีกแล้ว จะเข้าถึงจุดหมายปลายทางได้ยังไงก่อนมาลงตรงที่มารค ข, ข้อสุดท้ายนี่แหละเนี่ยมารคสัาจจะเนี่ยเป็นเป็นคําตอบเนี่ยเป็นหลักการเป็นข้อปฏิบัติใช่ไมไ้พูดอย่างนี้เร็วเ ว, ว้ยว่ะเรีวไหมพูดเมันปลาจะกระถาเลยอ่าตอนนี้พูดถึงในเรื่องของตัณหาการมัตตัณหาอยากได้กามเนี่ยนะความอยากเศษ ภาวะตัญหาความอยากพบก็ได้แก่อยากเป็นนั่นเป็นนี่ไปอยากที่เป็นไปกับสัสว์ทิฏฐิอยากให้มีชีวิตที่ในรานดอนเนี่ยวิภาวะตัญหาก็อยากสิ้นพบก็ได้แปลไปตามนี้ก็ได้ปรารถนาภาวะสิ้นและศูนย์นี่เป็นไปกับอุเฉททิฏฐิลึกลงไปกว่านั้นก็คือดูที่กระบวนการแห่งปฏิจสมบัตินะจะเห็นตั้งแต่อวิชาซึ่งเป็นมูลราของตัญหาที่ไหลมาจนถึงประดาแห่งทุกข์ทั้งหลายเหล่าเนี้อวิชา ความไม่รู้สังขารก็ปรุงแต่งบุญบาปเป็นต้นเลยนี่วิญญาณเนี่ยนะก็มีจักหุ่ญยาณเป็นต้น น, นามรูปสราญตนาผัสสะเวทนาตันหาบาทานเพราะวชาติชารามราณะเนี่ยไอ้ตรงนี้มันสายเกิดอันนี้กลุ่มเนี่ยกลุ่มสมุทรญาส จ, จาักรหมดนลสายเกิดแล้วก็เป็นกลุ่มทุกขสัจจ์ด้วยนะสมุทรญา ส, สมุทรญาส จ, จาักและทุกขสัจจ์แต่อวิชชาถ้าปฏิจจสมบาทสายดับก็มีอวิชชาดับ ถ้าอบรมศีลสมาธิโดยเฉพาะปัญญาในอารัฐรรมาได้ปุ๊บมาในอวิชาก็จะดับเพราะความไม่รู้ดับสังขารดับไหมดับสังขารก็ดับสังขารทั้งหลายมีปุญญาบุญญาเรียนชาก็ดับวิญญาณจะกุญญาณต้นก็ดับนามรูปก็ดับนามก็คือเยสิกัสามรูปก็คือมีกรรมมชรูปเป็นต้นเหล่านี้ดับอายตนะคือตาหูจมูกนิ้นกายใจก็ดับผัสสะตาทางตาหูจมูกนิ้วกายใจการกระทบก็ดับ เวทนามีสุขเวทนาไปต้นกระดับตัณหาก็ดับมันดับนี่นะเพราะลากิเลสตัณหาได้ด้วยปัญญาในอรหัตมรักแล้วเนี่ยตัณหาก็ดับอุปาทานก็ดับพบมีกรรมมาพบไปต้นกระดับอุปาิภพก็ดับใช่ไหมชาติคือการเกิดชะลาความแก่มรณะคือความตายก็ดับฉะนั้นโศกกาลพิเทวทูตขเทมณัสสุปาญาทั้งหลายก็ดับความดับเห็นว่าแตทุกข์ก็เป็นไปด้วยการอย่างนี้อันี้กล่าวถึงนิโรธสัจจะและกล่าวถึงมรรคสัจจะด้วยเห็นไหมเนี่ยสายเกิดกล่าวสัจจะสอง อวิชชาสังขาริญญานนามรูปสรายยตนาภาษาเวทนาตัณหาบาทานเพราะวาชาติชรามอนาไอสายเกิดอย่านเป็นต้นเหรอเนี่ยอันนี้กล่าวถึงทุกขสัจจากับสมุทัยสัจจ์ไอส่วนไหนเป็นรูปนามไอส่วนนั้นก็เป็นทุกขสัจจ์ไปส่วนไหนเป็นกิเลสตัณหาทั้งหลายอะไรนี้ก็เป็นสมุทัยสัจจ์ไหมก็มีสองสัจจ์มีทุกขสัจจ์กับสมุทัยสัจจ์กิเลสก็อยู่นี่นอวิชชาเนี่ยเป็นสมุทัยสัจจ์ได้ด้วยถูกไหมสังขารบัญญาบัญญาทั้งหลายก็เป็นเหตุถึงทุกข์ได้ วิญญาณนี่เป็นส่วนในทุกขสัจจะนามรูปเป็นส่วนในทุกขสัจจานี่เป็นต้นอะไรเนี่ยให้มันจะมีทั้งทุกขสัจจะสมุรีสัสจจานี่สายเกิดฟังนั้นเถอะสายเกิดสแสดงทุกขและสมุทยัยส่วนสายดับนี่นิโรธสัจจคามะคสัจจามีวิธีการเจริญอยู่ในนั้นด้วยเนี่ยอันนี้อันนี้คือการรู้ปฏิจจสองสายพอเราไปเห็นว่าเอ้ยนีสมุททยาวาระอาศัยเกิดคนไม่รู้เรื่องเลยนิโรธวาระสายดับเอ้ยมีรู้อีกสมุททยวาระสายเกิดก็พูดถึงทุกขทุกขสมุทัย นิโรธวาราสายตาวที่พูดถึงนิโรทศ จ, จักกับมรคศจั ก, จจกพอจะประเด็นได้อย่างเดนเนี้ว่าเราไปอ่านเองนี่ได้เข้าใจใช่ไหมเนี่ยเขาเรยปฏิจจสมบาทินี่เรียนแบบย่อแล้วเข้าใจทันที<笑><笑>เข้าใจมย่าเงี้ยเออทีนี้เมื่อใดกําจัดอวิชชาตัญหานะเป็นต้นนะหรือต้นตอปัญหาก็เป็นสาเหตุการดับทุกข์ได้แล้วมนุษย์เนี่ย ก็ไม่ตกอยู่ในภายใต้อิพลของกิเลสหรือตัณหายต่อไปอย่างเี้เป็นต้นก็สามารถเป็นบัตรต่อชีวิตและสัมพันธ์กับโลกกับทั้งมนุษย์สัตว์อื่นและธรรมชาติด้วยปัญญาที่เข้าใจภาวะได้รู้ตามเหตุปัจจัยทั้งหลายตามเป็นจริงซึ่งทําให้แก้ปัญหาได้จริงอย่างเต็มที่เต็มความสามารถแล้วก็ใช้สติปัญญาได้เต็มที่มนุษย์เราเนี่ยบางทีเราไม่สามารถที่จะใช้ปัญญาได้เต็มที่สติได้เต็มที่เพราะมีอะไรมากั้นอยู่กิเลสนี่แหละใช่ไหม ตรใดเรายังไม่สามารถขจัดในกิเลสออกจากกระแสของชีวิตได้เนี่ยกิเลสมันมาขวางขวางการเจริญของศีลสมาธิปัญญาขวางการเจริญของสติและปัญญาอยู่เลยเลยเห็นไหมอย่าแปลกใจนะว่ามันมาเราดําเนินชีวิตติดตขัดขัดติดตขัด ข, ดขเพราะช่วงใดมีกิเลสตัญหามาขั้นแล้วเป็นมาตัวนํากระแสชีวิตช่วงนั้นโอ้โหสร้างทุกข์สร้างโทษอย่างมากมายแต่ช่วงใดสติปัญญามานําพากระแสชีวิตโหการดับโทษการแก้ปัญหาโอ้ร่องเลยใช่ไหม แต่นานๆ น, นะมนุษย์ที่จะสามารถเดินใช้กระสําเนินชีวิตไปตามสติปัญญาเป็นต้นได้เนี่ยมันก็เลยเป็นอย่างนี้ชีวิตแต่ละวันแต่ละขณะเนี่ยมันก็เลยมีทั้งปัญญาสติเป็นตัวนําบ้างมีอวิชชาตัหาภาทานเป็นตัวนําบ้างโดยส่วนใหญ่คนเอาอะไรเป็นตัวนํเอาวิชาตัหาภาทานก็เป็นตัวเป็นสมุทัยไถยก็เป็นเหตุแห่งทุกข์นั้นก็สร้างทุกข์สร้างความเดือดร้อนไม่จบไม่สิ้นเนีย่ยมนุษย์ก็เลยสร้างสร้างปัญหาให้กับตัวเองไม่จบไม่สิ้นเลยนี่นี่เป็นไปอย่างนี้ นี่นี่เป็นไงนะนั้นะตราบใดนะถ้าหมายความว่าแม้ทุกข์จะมีเหลืออยู่ก็เป็นเพียงทุกตามสภาวะของธรรมดานะสําหรับบุคคลที่ดับทุกได้แล้วเนี่ยทุกที่เหลืออยู่น้อยเหล่านั้นก็ไม่มีอิทธิพลครอบงำจิตเขาได้นี่เมื่อไม่มีอิทธิพลของตัณหาครอบงำภายในภารกิจของเขาก็มีเหลืออยู่เพียงการคอยใช้ปัญญาศึกษาพิจารณาสภาวการทั้งหลายเนี่ยที่เกี่ยวข้องให้รู้และเข้าใจภาวะตามเหตุปัจจัย แล้วก็จัดการได้ปัญญาให้เป็นไปได้ไประโยชน์สูงสุดแต่ตราบใดกิเลสที่บิดเบือนครอบงำหรือทำให้เอยนเอียงทั้งหลายยังบีบคั้นบังคับมนุษย์ให้เป็นทาสของมันหรือเป็นทาสของกิเลสตราบใดนะมนุษย์ก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาจัดการทุกข์ได้จริงไม่ว่าจะเป็นมหาภายนอกหรือทุก์ภายในแต่ตรงกันข้ามนะเมื่อจะแก้ปัญหาเนี่ย เขามักทําปัญหาให้นุ่งนางซับซ้อนแล้วก็ขยายตัวมากขึ้นในรูปเดิมในรูปของปัญหาใหม่ๆอื่นๆบ้างเมื่อถูกบีบคั้นแทนที่จะดับหรือสามารถลดทอนปริมาณแห่งทุกข์ให้เบาบางลงได้ด้วยปัญญาก็กลับถูกตัณหาบีบให้ชดเชยออกไปด้วยการเติมทุกข์ที่ใหญ่กว่าเข้ามาแล้วก็ขยายทุกข์ออกไปให้เป็นภัยแก่คนอื่นและสังคมเนี่ยลักษณะอย่างนี้ความทุกข์และปัญหาของมนุษย์ ได้เป็นมาและเป็นอยู่อย่างนี้ตามอานาจของตัณหามีอวิชชาคอยหนุนอยู่อย่างไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้ก็คือว่าไม่มีทางจะแก้ปัญหาได้จบถ้าตราบใดเราไม่สามารถขจัดตัณหาซึ่งเป็นสมุทญยสัจจะเนี่ยและซึ่งมีอวิชชาเป็นตัวปกปิดอยู่แล้วกแก้ปัญหาตัวเองก็ไม่ถูกเอาอย่างนี้ในะในชีวิตของเราแต่ละคนเนี่ยนะถ้าแยกย่อยลงไปเนี่ยเราก็จะเห็นชัด เราไม่สามารถเดินสติปัญญาให้เกิดขึ้นได้จริงเนี่ยเราแก้ปัญหาตัวเราเองยังไม่ได้เลยเวลาปัญหาเกิดขึ้นมาเราก็ไม่เป็นอยู่ด้วยปัญญาไม่เป็นอยู่ด้วยสติไม่เป็นอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะใช่ไหมไม่ใช้ปัญญาก็ไปวิจัยแยกแยะอะไรเราก็แก่ปัญหาตัวเองไม่ได้เดี๋ยวว่าเด่๋ว่าข้างนอกเลยแก่ปัญหาตัวเราเองเนี่ยเราแก้ไม่ได้เลยยังสับสนงงๆกับตัวเองอยู่เนี่ยอันนี้บอกๆที่เอาวิชาความไม่รู้ใช่ไหม พอความไม่รู้เกิดขึ้นมามันก็ปุงแต่งปรุงแต่งบาปอปุญญาวิสังขารก็ปรุงแต่งบาปแล้วแต่เนี้ยอับปรุงแต่งบาปไงราค่าโทสะโมหะก็ปรุงแต่งเพราะปรุงแต่งราค่าโทสะโมหะเอาแล้การเห็นการได้ยินทั้งหลายจากกุญญาเป็นต้นอย่างเนี้ยก็ตอบสนองพร้อมที่จะเป็นอกุศลวิญญาณทันทีใช่ไหมพร้อมที่จะเป็นอกุศลวิญญาณตามการสภาพขอการปรุงแต่งทีนี้พอลอกุศลวิญญาณมันเกิดขึ้นเนี่ย เสื้อผของนามรูปทั้งหลายนี้มันก็พร้อมมันก็ตื่นตัวมันก็พร้อมแก่การที่จะเป็นที่รองรับของอกุศลวิญญาณอยู่แล้วที่เป็นประธานของนามและรูปประธรรมอย่างนั้นอยู่แล้วเพระาะในนามรูปเนี่ยมันเป็นไปด้วยอกุศลการนี่ไหมจักขู่โสตาคานะชิวหากายะหรือใจทั้งหลายเหล่านี้ที่เป็นอายตนะทั้งหลายก็ตื่นตัวพร้อมที่จะทำหน้าที่ไปตามากุอุศลวิญญาณปูแต่งใช่ไ้มลรา ที่พออายตนะเกิดขึ้นเขามีการกระทบพอกระทบทีไรตันหาก็เกิดพ่าตันหากเกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นก็เกิดอีกแล้วพออุปาทานยึดมั่นถือมั่นก็เกิดอีกภาวะคือกรรมว่าภาวะทั้งหลายเนี่ก็เข้าไปสอดรับขึ้นมาอีกแล้วแต่นี้อุปติภาวะก็มีเกิดขึ้นขัดแยง้งนะมีการเบียดเบียนขัดแยง้แยงกระทบกระทั่งตามมาอีกไม่จบไม่สิน้นการเกิดขึ้นของอกุศลเหล่านั้นของขันเหล่านั้นก็เป็นชาติ ความทรงตัวตั้งอยู่ก็เป็นชราดับไปก็เป็นบรณะเงี้ยเป็นต้นแล้วมันก็พร้อมที่จะสร้างเหตุปัจจัยที่ความไม่รู้อย่างเงี้ยถ้าเรามองในด้านของของปฏิจจะที่มันเป็นขณะขณะเหล่านี้ยมันก็จะแสดงตัวของมันออกมาแบบนี้แก้ปัญหาไม่ถูกแก้ปัญหาตัวเองก็ไม่ได้เพราะม า, มาจากความไม่รู้นี่แหละแต่ถ้าความรู้มันเกิดขึ้นอ ว, วิ ช, ชามเกิดขึ้นความเข้าใจมันเกิดขึ้นไอตัว ปัญญาวิสารขารตัวกุศลทั้งหลายนี่ก็เกิดไอตัวกุศลที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็พร้อมเจะเป็นไปแขกการที่จะเข้าไปแก้ปัญหามีปัญญามีความรู้มีความเข้าใจเป็นต้นไปตามดับอวิชาตันหาทั้งหลายเหล่านี้ก็เข้าไปครอบไม่ครอบนะนี่มันเป็นอย่างนี้แม้ในชีวิตจริงๆของเราเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะส ก, กัดกั้นสมุทรยาสัจจ า, จาตรงนี้ได้ก็สามารถจเจริญกุศลเป็นต้นได้ทีนี้ชีวิตที่เป็นอยู่ได้ปัญญาก็มีความสุขเป็นอิสระและทํากิจด้วยกรุณาเป็นต้นได้อาดูนิโรธะ ความดับทุกข์เนี่ยในภาวะที่หมดปัญหานี่นะ mm hmm. ก็กล่าวถึงทุกข์หรือปัญหาพร้อมทั้งสาเหตุที่เป็นสาเหตุของปัญหาเป็นเรื่องร้ายไม่น่าพึงใจแล้วเนี่ยพระเจ้าก็ทรงชโลมใจของเราเวนยสัตว์ให้เกิดความเบาใจ mm hmm. ก็เลยได้พูดถึงให้มีความหวังด้วยการตรัสอริยสัจสีข้อที่สองหข้อที่สามเขาขเรียกว่า น, นิโรธบอกให้รู้ว่าทุกข์เนี่ยบีบคั้น นั่นมันดับได้ปัญหาที่กดดันนั้นมันแก้ไขได้ทางออกมันก็มีอยู่ฉะนั้นสาเหตุแห่งปัญหาและบรรดาทุกเหล่านั้นเป็นสิ่งที่แก้ไขกําจัดและทําให้หมดสิ้นไปได้ก็พูดอย่างนี้ทุกคนโอ้โหชื่นใจแล้วว่าเอ้ยมันมีมันมีสภาวะที่ดับปัญหาอยู่นะมีสภาวะที่ดับทุกนะนั้นไม่ว่าจะเป็นในตัวทุ ก, ก็ดีตัวเหตุ ข, ของทุ ก, ก็ดีเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้มันหยุดตัวลงได้เพางั้นเดินไอสภาพที่เข้าไปหยุด การเกิดของทุกได้หยุดสภาพของปัญหาได้เหล่านั้นน่ยสภาพที่ปลอดปร่งโล่งตรงนั้นอ่ะนี่คือสภาพว่างนีโรธะคือนิพพานคือสภาพของความดับทุกข์ไอตรงเนี้ยเมื่อทุกหรือปัญหาตั้งอยู่ได้โดยสายเหตุเมื่อกําจัดเหตุแล้วทุกทุกที่เป็นผลก็พลอยดับสิ้นไปด้วยเมื่อทุกดับไปปัญหาก็หมดก็ถึงภาวะหมดปัญหามีภาวะไร้ทุกข์ปรากฏเกิดขึ้นเป็นไปเองเนี่ยนะ แล้วก็วุ่นหายกลายเป็นว่างกลายเป็นหลุดโล่งโปร่งเบาปลอดพ้นไปเป็นอิสระหมดจอดสดใสด้วยเหตุ น, นี้นิโรธอริยสัตว์เนี่ยจึงตามมาเป็นลำดับที่3โดยความเป็นไปตามธรรมดายธรรมะและวก็ทั้งโดยความเหมาะสมและกระบวนการอย่างวิธีการที่พระเจ้ทาทรงสอนเนี่ยให้สนใจช่วยให้เข้าใจสอนให้ได้ผลชวนให้เกิดการสู่การปฏิบัติให้ได้ผลที่ได้จริง เ, เมื่อกําจัดตัณหาพร้อมทั้งกิเลส ที่เป็นเครื่องบีบคั้นแล้วก็หลอนล่อจิตใจได้จิตก็ไม่ถูกทรมานด้วยความเร่าร้อนกวนก歪ใช่ไหมจิตเราเนี่ยที่มันกวนกวายเร่าร้อนรานลนกวนกวายหวาดวันกระทบกระทั่งเนี่ยงอยงเหงาเบื่อหน่ายมืดเงี้ยนะไอ้กรณีอย่างนี้มันเกิดจากกิเลสไม่เกิดจากสมุทัยมันเกิดจากตัณหาเื่อทําให้จิตใจเราเนี่ยรู้สึกมัน สุขไม่ได้เลยอ่ะเพราะงั้นเดือกระบาดโปร่งไม่ได้โรคไม่ได้เบาไม่ได้เพราะงั้นมีแต่มึนมัวร่านลนบีบคั้นกดทับเครียดวิตกกังวลใช่ไหมอันนี้แปลว่ากิเลสกิเลสมันมาอย่างเนี้ยแต่ว่าถ้าหากว่ากําจัดตัณหากําจัดอวิชชากําจัดอุปาทานกาจัดบาปอกเสนาะมันชั่วร้ายในกระแสชีตหมดลงได้หมดแล้วต่เนี้ย จิตก็ไม่ต้องถูกทรมานอีกต่อไปจิตก็ไม่ถูกไอ้กิเลสเหล่านี้เข้าไปทรมานบีบขั้นทําให้ร่านร้นเล่าร้อ น, น, นกวนาวายต่อไปความหงอยเหงาและความเบื่อหน่ายไม่ต้องหวังความสุขแบบขอไปทีอ่ะแบบหลบหบนะบางคนเนี่ยนะบางทีเราแก้ปัญหาทุกวันนี้เราก็แก้ปัญหาแบบขอไปทีใช่ไหมเราหลบปหลบปัญหาไปหลีกเลี่ยงเอาพวกนั้นจะซุกๆปัญหาไปเรื่อยพวกนั้นจะซ่อนปัญหาไว้ใตพ้พรม ดูเหมือนไม่มีปัญหาก็นั่งทับมันไปหรือไม่งั้นก็ปล่อยมันลืมๆไปเราเราไม่รู้วิธีการว่าจะแก้มันยังไงเป็นต้นเนี่ยหนีออกไปจากการเหล่านั้นหรือแก้ด้วยด้วยด้ยทุกขด้วยการหาอะไรมากลบไว้มาทดแทนก็คือว่าไม่สามารถหรือสามารถเดินผ่านพ้นไปได้ปัญหาในคราวหนึ่งหเป็นต้นเหล่านี้นั้นการแก้ไขในลักษณะอย่างนี้จิตไม่ได้เป็นอิสระอย่างแท้จริงนะไม่ได้แก้ด้วยตามเหตุปัจจัยนะจิตไม่เป็นอิสระ ไม่ปลอดโปร่งไม่โล่งไม่เบามีความสุขที่มันไม่เป็นสุขที่แท้จริงแต่ถ้ากาสามารถแก้ได้อย่างแท้จริงนะจิตก็จะเป็นหลุดพ้นเป็นอิสระปอดโปร่งโล่งเบาเป็นสุขไร้ใฝฟฝ้าด้วยไม่ต้องสะดุดแล้วก็ไม่ต้องค้างคาไปเป็นจิตที่สงบสดชื่นเบิกบานผ่องใสได้ตลอดเวลาเป็นปกตขิของจิตใจของบุคคลที่บรรลุเนียเป็นสัจจิกิริยาคือการทําให้ประจักษ์แจ้งได้อีกส่วนหนึ่งก็คือเมื่อจิตหลุดพ้น จากกิเลส ท, ที่บีบคั้นครอบงำหลอนล่อแล้วเนี่ยเงื่อนปรมที่จะติดข้องภายในนะเงื่อนปรมที่จะติดข้องภายในเนะี่ยอันเป็นอิสระผ่องใสโดยไม่มีอวิชชาที่จะมาแสดงอิทธิพลหนุนนําชักใยอีกต่อไปก็ย่อมจะมีความหมายว่าปัญญาที่ดุดพ้นจากกิเลสเป็นที่บทบังแล้วไม่มีกิเลสมาคอยควบคุมบิดเบือนหรือย้อมสีบริสุทธิ์เป็นอิสระจึงทําให้สามารถพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้ถูกต้องตามทีม่เป็นจริงได้ ทีนี้มนุษย์เราเนี่ยถ้าหากว่าเราถูกกิเลสย้อมใจอยู่มันเหมือนม้าม้าเนี่ยเวลามันเออ่หน้าแรงเนี่ยหน้าแรงเนี่ยมันไม่มีหญ้าเขียวๆมันกินได้ทาไงล่ะเขาก็หาแว่นเนยนะแว่นแว่นแว่นที่มองเห็นอะไรแล้วเขียวหมดใส่ให้ม้ามันม้าก็เห็นม้ามันก็เห็นไอ้หญ้าแหงๆมันเลยกินเน่ยนะกินใหญ่เลยกินปุ๊บเลยลๆๆๆเคยเห็นไหม <Okay. S 2> เขาทำแบบนี้แหละเขาใส่แว่นนี่มันแล้วทีนี้เอาย่าแห้งมันมันก็กินใหญ่ไม่ใช่ว่าหญ้าสดเอ่อมนุษย์เราก็เหมือนกันไปเห็นสิ่งที่มันไม่ดีว่าดีอ่เพราะมีกิเลสยอมใจอยู่สิ่งของที่มันไม่สะอาดของโศกกว่ามันสะอาดมันดีของไม่สวยว่าสวยใช่ไหม ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตายวิจตับปอดไต ใ, ใหญ่ไตน้อยหันใหม่มหันเก่ามันสมองเนี่ยมันมันมันมันไมไ่สวยงามอะไรหรอกแต่พอกิเลสไปย้อมในใจปุ๊บขึ้นมาโอ้สวยแล้วคนนี้สวยคนนี้หุ่นดีใช่ไหมคนนี้ตาสวยคนนี้จมูกสวยคนนี้ปากสวยคนนี้ฟันสวยเอ่อคนนี้หุ่นดีเหลือเกินขาเรียวงามสวยไงถามว่ า, าถามว่าในนั้นมีอะไรมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีเยื่อในกระดูกใช่ไหม อาจจะตัดขาคนออกมาตัด ข, า, า, า, ดขาหมูมาแขวนเข้าไว้เนี่ยอขาวัวขาควายแขวนเข้าไว้ฉีกเอาหนังออกไปยังสวยอยู่ไหมเห็น ไ, ไหมไอ้ยกกีฬาอะไรนี้แบบเนี้ยมันก็การแต่ถ้ามีกิเลสย้อมใจแล้วโอ้โหสวยขานี่สวยกว่านั้นนะขานี่สวยมากเสื้อนี่สวยมากอะไรที่สวยมากเห็นไหมเวลามีกิเลสย้อมใจขึ้นมามันมองอะไรไม่ชัดไอเหมือนม้าใสอะไร ใส่ว่านเนี่ยเหมือนเนี่ยใสอ่อของที่มันไม่เที่ยงไม่มองเห็นว่าเที่ยงได้ของที่มันเป็นทุกข์น่ยมองเห็นเป็นสุขได้ของที่มันไม่มีอาตาัตราตัวตนไม่ใช่อาตาัตราตัวตนอลไรแต่มองเห็นเป็นอัตราเป็นตัวเป็นตนเห็นว่าเป็นเราเป็นของของเราได้เกี่ยวข้องกับเราเป็นตนได้ดูสิเนี่ยเหมือนวิปรติตพนักศึการหนักเลยเนะเห็นเหล็กที่เขาไปติดติดติดกินมองก็เป็นรถจริงๆริงเลนะ่ไอ้เหล็กวิ่งได้เนี่ยแล้วพอเอา คำว่าฮอนด้าโตโยต้ามา a ด้าเอ่อเบนีเนียพอยส์เลยนะพราไปติดติดติดไว้มันมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันมันให้ความรู้สึกที่ต่างกันเลยตามเอโลโก้ตามแบรนด์เนมที่ไปติดติดติดติดไว้องมีความรูสึกกิเลสก็เหมือนสะเทือนไปตามนั้นมันเข้าใจผิดหมดน่ะเนี่ยมันมันถูกหลอกด้วยอะไรถูกย้อมด้วยอะไรถูกย้อมได้วยแหวนนี่แหละเอ๊สีก็คือกิเลสที่อะไรมันย้อมใจ มนุกเลยมึนนี่มันก็ปัญญาก็ไม่สามารถมาทํากิจได้เต็มที่เลยไม่สามารถมองเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นหรือตามความเป็นจริงได้เลยมันก็มองได้โดยการฉาบทาด้วยกิเลสย้อมใจอยู่นั่นแหละมันก็มองอะไรไม่ตรงไม่ชัดมันก็เอียงๆไม่สามารถเป็นกลางได้จริงจิตที่มีกิเลสเนี่ยมันน่ามันเป็นปัญหามากไปเลยว่างั้นเลยที่ถูกกิเลสย้อมใจมันเป็นไม่ไปอิสระเสรีภาเป็นแท้จริงหรอก ใช่ไหมมองอะไรก็มองอีกยงยึดกระเทเลยไปตามทัศนะความเห็น hmm. มุมมองความเชื hmm. yeah. yeah. ่อค mm ่า hmm. น no. right. ิยมสิ่งแวดล้อมอะไรก็ว่ากันไปเถอะถูกกระตุ้นกิเลสตัวไหนมากกิเลสตัวนั้นก็มีอิทธิพลบางคนถูกกระตุ้นความโลภมากความโลภก็มีอิทธิพลกับคนนั้นบางคนถูกกระตุ้นความโกรธมากความโกรธก็มีอิทธิพลความโกรธก็ครอบงำบางคนถูกกระตุ้นโมหะมากไอ้ความหลงก็มีอิทธิพลใช่ไหมถูกกระตุ้นทิฏฐิมากทิฏฐิก็มีอิทธิพลถูกระตัณมานะมากความยกยกตนชูตนก็มีอิทธิพลมันนั่นก็อยู่แค่ตรงนี้เเห็นมีอะไรลย ใช่ไหมล่ะเราไปกระตุ้นตัวไหนให้อาหารตัวไหนมันให้อาหารกิเลส ต, ตัวไหนมันเด่นกิเลส ต, ตัวนั้นก็แสดงออกมาทางตาของจมูกลิ้นกายใจก็มีแค่นี้กายกรรมจีมกรรมมโนกรรมพฤติกรรมของคนนั้นก็เลยออกมาตามกิเลสนั้นนั้นไม่เห็นมีอะไรเลยใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าคนที่ฝึกฝนพัฒนาศีลสมาธิปัญญาถ้าปัญญามาทําหน้าที่แล้วขจัดกิเลสออกไปซะแล้วเนี่ยโอ้โหแต่เนี่ยมองเห็นอะไรชัดตามที่มันเป็นเออเ น, นี้ยหลอกไม่ได้แล้วกลุ่มบุคคลเหล่านี้ มองเห็นอะไรก็ชัดเข้าใจสถานการณ์อะ ก, ก็ก็ไม่ไม่คลุมเครือไม่ฟ้าไม่พลาบัวแล้วมองเห็นอะไรก็มองไปตามที่มันเป็นจริงฟังอะไรก็ไม่ใช่ฟังแบบแบบเอียงกระเทะเล่ฟังตามทักทิพิแต่ฟังอะไรก็วิจัยแยกแยะเขตผลเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นสำคัญไหมปัญญาสำคัญไหมสำคัญอ่ ทำไมสำคัญมากเลยถ้ายังมนุษย์ยังพัฒนาปัญญาไม่ได้เนี่ยเป็นปัญหาเป็นปัญหามากเลยงั้นต้องพัฒนาปัญญาตัวนี้แหละให้ได้แต่นั้นไปพูดถึงในเรื่องมากก่อนแต่ที่พูดถึงในเรื่องของนิโรธนั้นกรณีอย่างนี้ก็คือมองเห็นสิ่งทั้งหลายตามสภาวะตามเหตุปัจจัยเมื่อไม่มีอวิชาตัณหาคอยชักพาให้เผลอปัญญาก็จะเป็นเจ้าการในการชี้นําพฤติกรรมทําให้วางใจและปฏิบัติตนแสดงออกสัมพันธ์กับโลกและชีวิต ด้วยความรู้เท่าทันตามความเป็นจริงเป็นจริงไงนอกจากปัญญาที่จะเป็นรากฐานของความบริสุทธิ์เป็นอิสระของจิตใจในส่วนของการดําเนินชีวิตด้านในแล้วในส่วนชีวิตด้านนอกละ่ะปัญญาคุณมีความต้องการไหมก็ช่วยความรู้ความสามารถของตนเองเป็นไปในทางที่แก้ไขปัญหาเสริมสร้างประโยชน์สุขได้อย่างแท้จริงเนี่สติปัญญาความสามารถของเขาก็ถูกใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ของมันเนี่ย ไม่มีอะไรหน่วงเหนียวบิดเบือนเป็นไปเพื่อความดีงามอย่างเดียวจึงเรียกว่าเป็นการดําเนินชีวิตโดยปัญญาหรือชีวิตที่ดําเนินไปด้วยปัญญาอุโหสําคัญมากนะเออมนุษย์เนี่ยเวลาพัฒนาปัญญาได้เมื่อไรเนี่ยเวลาดําเนินชีวิตไปได้ด้วยปัญญาที่เป็นองค์มากข้อสุดท้ายหมายความว่าถ้าถึงนิโรธได้เมื่อไรใช่ไหมดับปัญหาดับเหตุของปัญหาได้ทําให้ปัญหาทำให้ทำให้เหตุของปัญหามันหยุดเดินได้เมื่อไรโอ้หมนุษย์ไม่ธรรมดามนุษย์คนนั้นนะ่ะ คือปัญญาที่ออกมาทํากิจได้เต็มที่ใช่ไหมไม่มีกิเลสมาคอยสกัดตัดแข้งตัดขาจะเป็นพวกนักฟุตบอลที่วิ่ง <c oughs> โอ้โหได้คล่องแคล่วมากไม่มีคนกันแกล้งและไม่มีคนกันแกล้งแล้วโอ้โหวิ่งเร็วว่ามีความสามารถสูงไงนักฟุตบอลคนเนี้ยหว่ากัเจอสมมติเป็นในเป็นกองหลงังมันก็สามารถวิ่งไปช่วยกองหน้าที่ทันนืวิ่งขึ้นวิ่งลงไดเร็วมาก แต่มันมีไอตัวกิเลสท่านบอกวกิเลสเนี่ยมันคอยขัดแข้งขัด ข, ด ข, ดขาอยู่ไอตัวนี้วิ่งมาทีไรเดี๋ยวมันจะได้รับชัยชนะอ ก, กิเลสก็คอยดักดักๆักอยู่นี่แปลว่าคนคนนั้นไม่ปลอดโปร่งยังไม่สามารถจัดการไอปัญหาหรอกิเลสนั้นได้ถ้าสามารถจัดการกไอเหตุของปัญหานั้นได้เมื่อไหร่ปัญญาออกมาทํากิจการได้เต็มที่โอ้โหชีวิตจะมีสังยภาพสูงมากใช่ไหมอย่างมนุษย์จึงมีความต่างกันตรงเนี้ ตรงที่ว่ามนุษย์คนใดที่สามารถใช้ใช้ปัญญาออกมาทํากิจการในการพัฒนากระแสะชีวิตได้อย่างเต็มที่โดยปราศจากตัณหากิเลสหรืออกุศลทั้งหลายมาคอยขัดขวางแล้วมนุษย์คนนั้นใช้ประโยชน์จากปัญญาได้เต็มที่แต่มนุษย์บางคนเนี่ยปัญญาไม่ได้มีโอกาสเลยนะกิเลสตัณหาเข้ามาขวางสกัดตั้งแต่ตื่นขึ้นมายันยันยันปรับตาลงเนี่ยนะ ชีวิตเลยเป็นอยู่อย่างเป็นท่านปัญหาตลอดเวลาปัญญาไม่ได้มีโอกาสที่จะมามาทําหน้าที่ได้เต็มที่ก็เลยไม่สามารถเป็นไปเพื่อความดีงามหรือที่เรียกว่าเป็นการดําเนินชีวิตด้วยปัญญาได้เต็มที่ไม่ได้เป็นที่เลยยิ่งกว่านั้นนะเวลาจิตใจเป็นอิสระปลอดโปร่งหรือเป็นสุขเนี่ยเป็นปกติไม่ห่วงกังวลเกี่ยวกับตนเองไม่ต้องคอยแสวงหาสิ่งเสพ ไม่ต้องคอยปกป้องเสริมมั่นคงให้ยิ่งใหญ่กับ ต, ตัวตนที่จะแบกถือเอาไว้แล้วเนี่ยจิตใจก็เปิดกว้างนี่แผ่ความรู้สึกอิสระออกไปเนี่ยแล้วก็ในที่สุดเยิงก็คือว่าเวลาสภาพจิตใจมันปลอดโปร่งแล้วเนี่ยมันไม่อึดอัดไม่คับข้องกิเลสไม่เม็นเครื่องกังวลแล้วเนี่ยเออตัวตัณหาความอยากก็ไม่เข้ามาขัดขวางอ่าตัวโทสะก็ถูกกระจัดออกไปก็เลยจะเมตตาไอ้โทสะกูกลม กลุ่มนิคิดจะเบียนเบียนคนอื่นก็ถูกกระจาดออกไปก็เหลือแต่ก ร, รุณาโอ้ลองคิดดูทีเมตตากรุณาหรืิจิตที่น้อมจะสละหรือช่วยเหลือคนอื่นนั้นแพรเต็มที่ในกระแสะชีวิตของคนคนนั้นเลยนะของคนที่กิเลสไม่กิเลสไ ม, ไม่ไม่มารบกวนเะนี่ยคนคนนี้จะทำการสิ่งใดเพื่อประโยชน์ภายนอกอย่างใหญ่หลวงเลยเป็นไปเพื่อประโยชน์นอก พ้นขวาอย่างเต็มที่แล้วว่าใจเปิดกว้างออกมาแล้วสภาพจิตเปิดกว้างออกมาอย่างเต็มที่เต็มศักยภาพเต็มความสามารถแล้วมีปัญญานําด้วยสจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนยิ่งไม่มีความยึดมั่นในแง่กิเลสที่มีห่วงผูกพันที่จะได้เพื่อตัวตนแล้วก็สามารถทําการต่างๆที่ดีงามบําเพ็ญกิจเพื่อประโยชน์สุขและผู้อื่นได้อย่างมุ่งแนวหรือยอย่างเต็มที่เต็มความสามารถนะนั้นการดําเนินชีวิตในด้านจิตที่เป็นอิสระเป็นสุขผ่องใสเบิกบานเนี่ยเป็นบริบูรณ แห่งประโยชน์ตนที่เรียกว่าอัตตาหิตะสมบัตินี่ชีวิตของพุทธเจ้าเลยนะเนี่ยก็คือนี่ด้านในอัตตาหิตะสมบัติก็คือเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยประโยชน์ตนพุทธเจ้าเนีเวลาตัดชั่รุ่นนุตตะสัมมาสัมปวิญานแล้วเนี่ยทำกิเลสให้หมดแล้วเข้าถึงพระนิพพานแล้วพุทธเจ้าก็ได้อัตตาหิตะสมบัติคือความถึงพร้อมที่สามารถบําเพ็ญประโยชน์ตนเนี่ยทำกิเลสให้หมดลแล้วสามารถกําจัดกิเลส ให้โดยสมูทเชธทหารําจัดสมูทไทยที่เป็นเหตุของปัญหาได้หมดสิ้นแล้วโอ้แตเนี่ยเขาเรียกบำเพ็ญประโยชน์ตนได้บริบูรณ์ได้สูงสุดแล้วประโยชน์ในภพนี้ไม่ต้องพูดถึงประโยชน์ที่คล้ายหน้าไม่ต้องพูดถึงไอ้ประโยชน์อย่างยิ่งปรมัตถประโยชน์เนี่ยคือการกําจัดกิเลสและกองทุกเนี่ยได้หมดแล้วนี่เขาเรียกว่าเป็นอัตตาหิตาสมบัติเข้าถึงประโยชน์ตนเพราะ พอถึงเข้าถึงอาตาัตตาสมบัตะดีถ้าพูอีกอย่างหนึ่งก็เรียกอัตนาถาพึ่งตัวเองได้แล้วทําที่พึ่งในตัวเองได้แล้วนั้นคนที่สามารถกําจัดกิเลสให้กับตนเองได้ทํากิจของตนเองจบสิ้นแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ก็กิจในกิจในการประหารกิเลสนะกิจในการกําหนดรอบรูุทุกหมดแล้วไม่มีเหลือล่าสมูทัย กิเลสที่จะเป็นปัจจัยต่อการไปเกิดในใบยมทั้งหลายจนแม้กิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดในภพไม่มีแล้วแล้วก็ทํานิโรธให้แจ้งอบรมอริมักให้อริยมัติบริบูรณ์เบ็ดเสร็จแล้วกิจเนี่ยกิจสิบเตีนะกิจ16หมดละกิจ16เนี่ยหมดละที่พอทํากิจในในโซดาปริมักสกัดธาคายิมักนะคาครัอารัตธรรมทำกิจกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีแล้ว ว่ากันเถอะชาติที่แล้วพอมาจารย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีได้หลักอันนี้เพื่อใดประสงค์แค่ว่างนี้นั้นบุคคลที่ทํากิจเนี้ยเขาเรียกว่าได้อตอตาอตตาหิตะสมบัติเข้าถึงอัตนาถาพึ่งโดยเองได้แล้วบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาจนทํากินตัวเองให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วนี่นีด้านในนะนี่ประโยชน์ตนส่วนชีวิตด้านนอกก็ดําเนินไปเพื่อเกื้อกูลแ ก, ก่ บ, บุคคลอื่นเขาเรียกพราชหิตาปฏิบัต ปัจจิตาปฏิบัติก็คือว่าดําเนินกระแสชีวิตเนี่ยเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นโดยแท้เพื่อบุคคลอื่นโดยแท้พุทธเจ้าก็เลยเข้าถึงความเป็นโลกนาถเป็นที่พึ่งสัตว์โลกใช่ไหมนี่พุทธคุณสองอัตตาหิตตาสมบัติกับไรตาปฏิบัติเพราพุทธเจ้าเป็นปฏิบัติตนเนี่ยกายกรวิจิกรร ม, มโนกรรมหรือพฤติกรรมที่พุทธเจ้าเนินกระแสชีวิตไปเนี่ยเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่สัตว์อื่น โดยแท้เลยมีพระมหากรรณาที่คุณเนี่ยในการที่จะขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัฏอย่างแท้จริงเลยเนี่ยลักษณะอย่างเนี้ยแม้แต่พวกเราหรือสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันก็ต้องบำเพ็ญตนเองเข้าไปถึงนี่แหละอาตัดิจัตสมบัติทําประโยชน์ตนเองได้จนสามารถกําจัดกิเลสและกองทุกตาตามที่พระเจ้าสอนได้และต่อมาเขาไปใหิตาปฏิบัติก็ปฏิบัติเพื่อเพื่อกรุณาเพื่อยังอย่างที่พระยาบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้พ้นแล้วจากบ่วงทั้งที่เป็นของทิพย์ ละพ้นแล้วจะบ่วงทั้งที่เป็นของมนุษย์แม้พวกเธอทั้งหลายก็พ้นแล้วจะบ่วง ท, งทั้งที่เป็นของทิพย์บ่วง ท, งทั้งที่เป็นของมนุษย์ก็คือพ้นจากกิเลสปัญหาแล้วไม่ไปติดไม่มีสิ่งติดสิ่งเเสพหล่านี้แล้วหวักเธอพู้ริจ้าก็พ้นแล้วสาวกของท่านก็พ้นแล้วยายุคนั้นหกสิบรูปเนี่ยเนี่ยนี่แปลว่าอไตตาสมบัตินั้นเราทําให้บริบูรณ์แล้วเราพึ่งตัวเองได้แล้วแล้วต่อมาพู้ริจ้าก็เลยบอกว่าเอา้าเราทําเราเข้าถึงความเป็นอัตนาถามือนกันหมดแล้วพึ่งตัวเองได้แล้วต่อไปพเจ้ผ เพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปนะเพื่อประโยชน์จะชนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อสงเคราะห์สัตว์โลกทั้งหลายที่ยังมีธุลีในดวงตาเบาบางจะเสียประโยชน์นะถ้าไม่เจอพวกเธอเพราะงั้นถ้าไม่รับฟังทำไม่รับข้อมูลไม่ได้ฟังหลักการที่ดําเนินกระแสชีวิตไปสู่การเข้าถึงประโยชน์ตนให้ยั่งได้อย่างแท้จริงเพราะงั้นเธอเนี่ยนละักษณะนี้ก็เรียกประดิตาปฏิบัติสอนจงไปปฏิบัติการ จงไปดําเนินการนําพากระแสชีวิตนําความรู้ความเข้าใจของเธอที่เข้าใจได้ในพื้นพื้นตัวเองแล้วเนี่ยไปนําหลักการนี้ไปบอกอริยสัจสี่ให้สัตว์ทั้งหลายได้เข้าใจเพราะสัตว์ทั้งหลายที่มันดิ้นรนเดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้พาอสัตว์เหล่านั้นไม่รู้อริยสัจเมื่อเขาไม่รู้อริยสัจ ต, ตามความเป็นจริงเนี่ยเขาจึงต้องประสบชาติทุกบ่อยๆเขาต้องไปเกิดบ่อยๆไปแก่บ่อยๆไปเจ็บบ่อยๆยังตายบ่อยๆนี่ความนั้นเถอะ ไปโศกไปลำไรลาพันธ์บ่อยๆทั้งหลายเหล่านี้ก็เพราะการไม่รู้อริยสัจสีถ้าเขาไปแทงตลอดอริยสัจสีได้เมลัยแล้วเนี่ยเขาจะพ้นจากการเกิดบ่อยๆแก่บ่อยๆเจ็บบ่อยๆตายบ่อยๆโศกลำไรลําพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความขับแค้นใจทั้งหลายเขาจะหมดเกลี้ยงไปเลยว่าเขาจะไม่มีความทุกข์เขาจะสามารถขจัดปัญหา ข, ขจัดความทุกข์ได้แล้วก็สามารถทําตนเองให้เข้าถึงอตัตตาอิจาสมบัติเป็นต้นได้ก็คือว่าเข้าถึงประโยชน์ตน และในขณะเดียวกันเมื่อเขาเข้าถึงประโยชน์ตนทําที่พึ่งตนเองได้แล้วเ น, นี่ยเขาจะบำเพ็ญพระฤทธิ Actually, ์ปฏิบัติก็คือทําประโยชน์ให้กับบุคคลอื่นได้ให้บุคคลเข้าถึงประโยชน์อย่างตนเองเข้าถึงได้อย่างนี้เป็นต้นพุทธเจ้าบอกให้สาวกทั้งหลายเนี่ยออกจากลิปไปอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเห็นไหมคนโกลนที่เข้าถึงนีโรธาสจ่าแล้วเนี่ยจุดหมายสูงสุดแล้วเนี่ยเป็นคนที่บริสุทธิ์บริบูรณ์จะทําเป็นเพื่อเพื่อประโยชน์ตอนแล้วประโยชน์เป็นประโยชน์บุคคลอื่นอย่างแท้จริงนั้นการดําเนินมรรคาของอริยชน ไม่จําเป็นต้องรอผลจนกว่าจะบรรลุนิพพานที่เป็นเกิดหมายสูงสุดของนิโรธเมื่อดําเนินตามมัตที่ถูกต้องแล้วแม้ในระหว่างทางก็สามารถประสบผลในการปฏิบัติประจักษตนได้ไปเรื่อยๆโดยการปฏิบัติทั้งได้ประโยชน์ตนเองด้วยและประโยชน์บุคคลอื่นด้วยนะีน่โรธทั้งแยกเป็นหลายอย่างนะวิขมพนนิโรธดับกิเลสด้วยการข่มไว้อันนี้หมายถึงการทําจิตใจให้สงบเยือกเย็นผ่อนคลายนี่เป็นตัวสมาธินี่เป็นตัวสมาบั ต, น, น, ต, บตนะ นี่เป็นวิขำพนะเป็นระดับสมาธิในระดับฌาน ท, ที่ที่กิเลสถูกทําให้สงบไว้ด้วยนิสรณะด้วยเขาเรียกว่าด้วยนิรามิตรสุขตลอดเวลาที่อยู่ในฌานนั้นก็คืออยู่สุขโดยไม่อิงามิตรได้ในขณะที่เข้าถึงนิโรดนั้นเนี่ยโดยการข่มไว้ฉะนั้นคนที่ได้อุปจารสมาธิหรืออัปนาสมาธิเนี่ยเขาเรียกว่าได้วิขมพนะนิโรดนี่เขาเรียกว่าข่มกิเลสได้แล้ว ผ่มไว้ได้ทําจิตให้สงบเยือกเย็นผ่อนคลายหายเครียดหายกลุ้มตอนนี้ที่มันเครียดมันกลุ้มอยู่เพราะอะไรไม่ได้สมาธิถ้าสมณีนฝึกสมาธิให้เกิดขึ้นมาได้จะเครียดไหมเครียดไม่เครียดนะต่อไปก็ต้องฝึกให้ได้นะตรงนี้นะประการที่2แต่ทางขั้นนิโรดนีิดับกิเลสหรือดับทุกข์ด้วยองค์ธรรมคู่ปรับ นี่แปลไงค ท, ที่ตรงกันข้ามเฉื่ออย่างยิ่งก็คือการรู้จักคิดพิจารณามีปัญญารู้เท่าทานความจริงที่เป็นไปตามธรรมดาของสิ่งทั้งหลายนี่แหละเป็นไปตามเหตุเป็นไปตามปัจจัยแก้ไขที่เหตุปัจจัยไม่ขึ้นต่อความอยากความป ร, รารถนาหรือความยึดมั่นของมนุษย์แล้วก็วางใจได้อย่างถูกต้องหรือปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายตามความรู้ตามความเข้าใจทั้งจิตใจก็เป็นอิสระแล้วก็หวังดีมีน้ําใจเมื่อปัญญาเนี่ยเกิดขึ้นเห็นแจ่มแจ้งชัด ตามสภาวะก็ เ, เรียกว่าเป็นวิปัสสนาญาณก็ทํากิเลสและความทุกข์ให้ดับหายไปชั่วขณะนี่ยแต่ตลอดชั่วเวลานั้นมีจิตสงบบริสุทธิ์เป็นสุขผ่องใสเบิกบานได้เหมือนกันอันนี้เป็นตทางค่าที่จริงตทางค่าเนี่ยแม้ให้ทานนะีที่เป็นการสละกกิเลสได้ก็เป็นตะทางค่าอย่างหนึ่งเหมือศีลก็เป็นไม่ใช่ไม่เป็นนะศีลที่ ร, รักษาแล้วในกิเลสเขาไม่ไมากุ้มลุมเลยนะนะีไม่ฆ่ า, าศาสตร์เนี่ยใจที่เป็นไปกับเมตตากรุณาเนี่ยก็เป็นตทางค่ตทางฆ่าขนาดหนึ่ง แต่ว่าถ้าหาว่ากุศลศีลไม่เดินทานกุศลไม่เดินศีลกุศลไม่เดินแต่ทางท้าแต่ต่ทางท้าที่จุดหมายจริงๆท่านหมายถึงตัวกําลั ง, งวิปาาัสนาญาณปัญญาที่เขาไปรู้ไปวิจัยไปแยกแยะไปเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นได้แต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันก็กําจัดความไม่รู้กําจัดความหลงกําจัดความโลภความกโกรธได้เนี่ยนะ กิเลสที่ถูกกาจัดได้เป็นแต่ลักษณะแต่ขณะนี่ยสภาพจิตใจก็เลยกลายเป็นจิตที่สงบเงยือกเย็นอย่างนี้เป็นต้นนัเป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตผ่องใสเบิกบานแล้วก็จิตก็ปราณีตปัญญาก็เจริญองอกงามขึ้นไปเรื่อยๆลักษณะอย่างนี้ก็เป็นตะทางนิโรธอันนี้เป็นนิโรธประเภทชั่วขณะหนึ่งๆ น, นี่เป็นตน้นประการที่3ก็คือสมุเทเฉทานิโรธก็คือดับกิเลสดับทุกข์ด้วยการตัดขาดคือบรุรุโลกุตละมัก ตั้งแต่โสดาปริมักเกิดขึ้นดับกิเลสดับทุกได้เสร็จสิ้นเด็ดขาดตามลําดับของมรรคนั้นๆฉะนั้นโสดาปริมรักก็กําจัดกิเลสได้ระดับสัจจะทิฏฐิวิจิกิจฉาสีระพตาปรามาสเนี่ยนะสกาทาคามิมรักก็ดับได้ระดับหนึ่งอนาคาคามิมรักก็ดับได้สูงขึ้นไปจนถึงอรรถมรรคนี่กิเลสและทั้งหลายถูกดับได้อย่างหมดสิ้นนี่เขาเรียกสมุทเฉทมิโรธ ประการที่ 4. ปฏิปั ต, ปตสัต ธ, ธินิโรธก็คือดับกิเลสดับทุกข์ด้วยการสงบระงับไปอันนี้เป็นการบรรลุโลกุตรรผลเป็นอริยบุคคลตั้งแต่พระโสะดาบันขึ้นไปมีกิเลสดับสิ้นไปแล้วมีความบริสุทธิ์ปลอดโปร่งเป็นอิสระตามลําดับของอริยบุคคลนั้นๆเป็นพระโสะดาบันสกอาธานาคาหรือเป็นพระอรหันต์ส่วนนิสรณนิโรดเนี่ยนะ อันนี้ดับกิเลสด้วยการสลัดออกไปนี่หมายถึงภาวะที่เป็นอิสระปลอดโปร่งอย่างแท้จริงเลยโดยสมบูรณ์นี่หมายถึงภาวะของนิพพานยันที่พูดถึงนิโรธาตุสัจจะสูงสุดจริงๆหมายถึงอะไรหมายถึงนิสระนิโรดนี่แหละหมายถึงตัวพระนิพพานนี่แหละอันนี้เป็นเป็นตัวนิโรดเป็นตัวนิโรดที่แท้จริงนะเป็นนิโรดที่ถูกต้องแต่ว่าจุดหมายยังไม่ไถึงนิโรดที่แท้จริงในิโรดอย่างอื่นก็ต้องนะก็ต้องดําเนิน ให้ให้เป็นไปเป็นต้นด้วยอย่างนี้เป็นต้น น, นะนะนี่พูดถึงในเรื่องของนิโรธาสจาัจจะพุทธยาวเลยทีนี้ประการต่อไปเนี่ยวลาพูดถึงในเรื่องของมรรคสัจจะนี่ทางดับทุกข์อั น, นี้ก็คงจะต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะมรรคสัจจะสรุปแล้ววันนี้ยังไม่ไปจากสภาสวัสูตร พูดเรื่องทุกมาแล้วสมุทัยมาแล้วแล้วก็วันนี้พูดนิโรธาสัจจะในี่ยสมุทัยกันนิโรธาสัจจะแล้วก็เชื่อมโยงให้เห็นอะไรหลายๆอย่างเอาแรกมีใครสงสัยอะไรไหมสงสัยหรือเการสอนนิโรธเนี่ยอืก่อนมาร์กเนี่ยสําคัญเหตุผลว่าคือพูดถึงเรื่องจุดหมายจุดหมายที่จะรู้ถึงหรือเป้าหมายเนี่ยถ้างนั้นคนจะหมดกําลังใจ คนจะไม่มีกําลังใจในการที่จะมาฝึกอบรมมาร์กเพราะมาร์กนี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องของการต้องระดมความเพียรต้องฝึกฝนต้องพัฒนาฉะนั้นต้องพูดถึงจุดหมายว่ายิ่งใหญ่ยังไงจะดียังไงจะเลื่ยังไงประเสริญยังไงและถ้าเข้าถึงจุดหมายนั้นในชีวิตจะปลอดโปร่งโล่งเบายัางไงจะเข้าสูงความผาสุบยังไงถึงความสงบร่มเย็นยังไงชีวิตที่จะเป็นอิสระเสรีภาพที่แท้จริงไม่ได้เลยถ้าไม่สามารถเข้าถึงจุดหมายตรงนั้นฉะนั้นก็วางจุดหมายวางวางหลัก นววางจุดหมายวางขนโดนนั้นนี่เห็นเลยว่าถ้าไปถึงตรงนั้นเป็นอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นเหมือนวางจุดหมายบอกว่าเอาลนะเราจะไปกันที่เชียงใหม่เนี่ยนะที่สาคัญว่าเชียงใหม่งดงามยังไงดียังไงประเสริฐยังไงเลือดยังไงเพราะเชียงใหม่อยู่ไกลต้องระยะทางเจ็ด ร, ร้ยกว่ากิโลแ800ด้อยกิโลเอาเลยสิไอเจ็ดร้อยแปดรอยกิโลถ้าไปบอกว่าเออเราต้องเดินให้ได้เจ็ดแปดรอยกิโลนี่ยไม่โดยไม่รู้คุณถึงจุดหมายเลยคนยังอยากเดินไหม ฉะนั้นเรื่องจุดหมายสําคัญที่ไม่สําคัญฉนั้นต้องบอกจุดหมายใช่ไหมก็หมายกว่าว่าใช่ไหมอันแรกเนี่ยทั้งไมต้องบอกปัญหาพรรยามบอกปัญหาบอกตัวปัญหาก่อนว่าตอนนี้เรามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเหมือนบุกบุกระดมเชิญชว น, ช ว, นว่าพวกเราเนี่ยรู้ไหมตอนนี้ปัญหาคืออะไรตอนนี้มีปัญหาอย่างไรถ้าเราแก้ปัญหาไม่ได้เราจะวิบัติยังไงเราจะเสียหายยังไงเราไปสอบความทุกความเดือดร้อนยังไง โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณกลัวกันไหมชาติภัยมันตภัยคือความเกิดเนี่ยชราภัยมันตภัยคือความแก่เนี่ยภัยาทิภัยมันตภัยคือความเจ็บไข้เนี่ยบรณะภัยมันตภัยคือความตายเนี่ยมันตภัยคือความโศกมันตภัยคือความรำไรลําพันธ์มันตภัยความไม่สบายกายไม่สบายใจความกังวลใจเนี่ยมันตภัยตรงนี้มันครอบงําบรรดากระแสชีวิตอยู่ พวกท่านทั้งหลายเห็นไหมว่าภัยเหล่านี้มันมีอยู่จริง <c oughs> เออชี้ตัวปัญหาเลยใช่ไหมทุกคนก็ตื่นขึ้นมาเออจริงอ่ะเออปัญหามีจริงๆเนี่ยใช่ไหมไม่ต้องพูดปัญหาที่ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนะว่ากั้นเธอเป็นทุกข์ปัญหาอยการที่ต้องขัดแย้งยังไงต้องประครับประคองยังไงต้องดูแลยังไงต้องนำพากระแสชีวิตยังไงว่ากันเธอะแบกคันธพาราในการยืนเดินนั่งนอนยังไงโอ้โหเป็นภัยเป็นความเดือดร้อนเป็นความทุกข์ แล้วรู้ไหมว่าตอนนี้มันเป็นปัญหาอย่างไงเป็นทุกอย่างไงชี้เลยบอกเอาแหละรู้แล้วเอาอะไรไปรู้ไม่ใช่ไปบอกให้ตื่นตหนกตกใจกลัวนะแต่บอกให้ตื่นขึ้นมาใช้ปัญญาเข้าไปรู้เอาแล้วรู้แบบไม่มีทุกแต่ก่อนรู้โหเราหลงมันได้ยังไงนี่แล้วทำไมเราไปกอดอยู่กับทุกจมอยู่กับทุกเราจะรู้ทุกได้ยังไงอย่างานั้นเลยใช้ปัญญาเข้าไปรู้เอาแหละตอเนี้ยฟังพุทธาจ้ต่อพุทเจ้า บ, บอกว่ารู้ไหมผลนี่มันเกิดขึ้นปัญหาที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้มาจากอะไร เอาละดิเขบอกเหตุมาอย่างงี้เอาละบอกเหตุปัญหาเลยดี๋นี่มาจากอะไรเลยบอกเหตุเนี่ยเหตุแบบนี้คือตัณหาเป็นยังไงอุปาทานเป็นยังไงใช่ไหมเป็นต้นอวิชาความมืดบอดเป็นยังไงบอกเลยเอาพอบอกไปเสร็จเอาละบอกทั้งตัวปัญหาบอกทั้งเหตุของปัญหาบอกทั้งทุกบอกทั้งเหตุของทุกเอาดับได้นะเหตุปัญหามันดับได้เหตุของปัญหาเราสามารถดับได้ ถ้าหากสามารถดับมันได้หยุดตัวมันได้หยุดปัญหาได้หยุดเห็นปัญหาได้อันนี้คือนิโรธในตัวนิโรธมันสำคัญตรงนี้แหละเราแก้ปัญหาได้เมื่อไหร่ใช่ไหมสามารถขจัดปัญหาได้เมื่อไหร่ี่มันจะชีวิตมันจะสดใสมันจะสว่างยังไงจะเป็นอิสระเสรีภาพยังไงฉะนั้นทำไหมปรารถนาจะถึงไหม โอฝโาทตั้งนะอยู่ไม่ไหวแล้วเห็นปัญหาขนาดนี้เห็นเหตุปัญหาขนาดนี้โอ้ไม่ไหวแล้วเว้ยเอาไม่ไหววิธีการเอาเลยสิเนี่ยจะบอกวิธีการให้เมื่อบอกวิธีการบอกหลักการบอกข้อปฏิบัติให้บอกทางดําเนินให้เอาไม่เอาเพื่อนคนอื่นเอาเลยยกมือเลยนี่พระเจ้าก็บอกเลยเนี้ยสติประธานทําอย่างนี้นะสมัชพประธานทําอย่างนี้ปฏิบาติจรพระราโพชฌงค์อมากโอ้เรื่องใหญ่เลยจมอยู่อยู่ไปบอกมากเลยเนี่ยไม่เอาเลยใช่ไหบอกเอาไปทําแน่นอน ไม่รู้เลยทําทําไมเนี่ยต้องบอกจุดหมายไหม<ำ>เออสําคัญหรือไม่สําคัญเขียนความสําคัญอริยสัจเป็นอย่างนี้ฉนันอริยสัจใช้ได้ทุกกรณีแต่ห้ามเอามันใช้ได้ทุกกรณีแต่ห้ามเอาไปใช้ปุกระดมให้คนเขาชุมนุมถึงทั้งมันก็ใช้ได้นี่ยแหละแต่ไม่ควรเอาไปทําอย่างงั้นขึ้นมาโอ้โหถ้าคนรู้อริยสัจทําได้ทุกเรื่องนะใช่ไหมทําเรื่องอะไรขึ้นมาโอ้โหยุ่งเลย ตอนนี้มีปัญหาความยากจนเนี่ว่ายุ่งยุ่งนเนี่ยความยากจนความเดือดร้อนข้าวยากมากแพงสถานการณ์แย่เอออันนี้เป็นปัญหาและเหตุของาัญหาเพาะอีกคนนี้แหละโอ้โหยุ่งเลยนะตอเนี่ยชีวิต จ, จิตใาบคุคคลจะแก้ปัญหาจัดการคนนี้ว่าจะจัดการคนนี้แต่เป็นนิโรธแต่วิธีการนะโอ้โหยหาวิธีการกันใหญ่กลายเป็นอริยสัจไหมเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยใช่ั้มคนไปใช้อริยสัจถ้าเข้าใจก็มันใช้ได้ทุกสถานการณ์ ใช่ไหมมันจะไปไปยุกต์ใช้อย่างไงกับสถานการณ์ใดๆต่างๆอยู่ที่รู้หรือเข้าใจไหมถ้ารู้แล้วเข้าใจเราโอ้นี่ก็เรียกฉลาดในอริยศาสตร์ในชีวิตจริงเรามองเห็นความสําคัญของพพุทธเจ้ายัางเขาไม่ทําคํำสอนไหมเพราะความไม่รู้อริยศัสตร์ที่สัตทั้งหลายยิ่งจมอยู่กับปัญหาใละจมอยู่ของทุกข์เห็นพุทธเจ้าตัดสโลอริยศาสตร์จา่ายพระพุทธเจ้าจึงประกาศตนเองว่าตัดสโลนุตตะสมาสมุทัยันยอดเยี่ยม ที่มนุษย์เทวดามารพทมทั้งหลายหรือใครๆจะคัดค้านไม่ได้ใครคัดค้านไม่ได้ผู้ยญาบอกความจริงนี่เป็นความจริงของพาริยะนี่เป็นความจริงของพระตถาคตนี่เป็นความเป็นสาจาัจจะเป็นความจริงของพระริยเจ้าฉะนั้นเป็นหลักความจริงที่มันมีอยู่มันเป็นอยู่มันอย่างนี้ไม่ได้บอกขึ้นมาเมคขึ้นมาเนี่ยมันเป็นความจริงที่มันมีอยู่เราจะรู้หรือไม่รู้ความจริงเหล่านี้มันก็มีอยู่มันอยู่นี้นี่ผู้หญิงตัดสรู้ความจริงข้อนี้เลย อันนี้ก็าเรียกว่าอ่านเริ่มอ่านโลกอ่านสถานการณ์อ่านสภาพสังคมอ่านสิ่งทั้งหลายได้ถ้าคนรู้อริยรสัจสําคัญรือไม่สําคัญ <c oughs> <c oughs> เอนะกลับมาที่หน่วยย่อยปัิเจกับบุคคลเฉพาะเราเราตอนนี้เราติดขัดที่อริยสัจข้อไหนทุกขสัจจะพอเข้าใจยังสมุทัยสัจจะพอเข้าใจยังนิโรธาสัจจะพอเข้าใจมากขสัจจะก็พอจะเข้าใจนิด ยังไม่ได้เจาะเข้าไปในรายละเอียดของมัดทีนี้ประเด็นก็คือว่าตอนนี้เราสจารัจจะที่เราต้องอยู่กับมันอยู่ตอนนี้คืออะไรบอมมีสจัจจะเท่าไหร่ตัวของเอง ม, มีสจัจจะอยู่ที่เท่าไหร่สามคนระับคือทุกสมุทัยมากมีดึงมากเมื่อเคยเชื่อมีสจัจจะเท่าไหร่เอาจริงจริงก่อนือ อในกระแสชีวิตของเธอมีสาจาัจจะอยู่เท่าไหร่นี่ครับมีแค่สองเองโทุกศาสนาไทยมักยังไม่ได้เกิดเลยใช่ไหมล่ะแต่ก็มีการทำนะอาจารย์จะมาอย่างนี้ก็เรียกได้สาจาัจจะสองมักจริงๆมันต้องได้อริยมรักในโล ก, กุทธะใช่ไหม <c oughs> โลกยียมามรักเนี่ยนี่ยังเทียมๆอยู่ฮะจริงๆถ้าเจาะลงไปจริงๆเธอมีสาจาัจจะสองขาดอีกสองสัจจะ คือมรคสัจจะคณิโรธาสัจจะใช่ไหมกระแสชีวิตไม่ได้สัจสองตอนนี้สัจสองนี่ชัดเลยไหมครอบงําเต็มไปหมดเลยแม้จะเอามรคสัจจะเลยยังยังไม่ได้โสดาปภิมักเลยยังได้โลกียะแต่โลกียะมรคสัจจะก็ยังกระพองกระแพงอยู่ใช่ไหมกระหลอมก็แหลมอยู่กระพองกระแพงไหม ย, ยังกระพองกระแพงอยู่เลยนะั้นถ้าหากว่าสามารถทาํามรคสัจจะได้สักโสดาปภิมักแล้วโอ้โหชีวิตไม่เบนแบบนี้นะ คิดไม่ต้องปรับโผงโล่งเบาคนนี้นี่ไมพรู้สัจจาพวกเขาถามว่าเออในกระแสชีวิตกัตงเธอในกระบวนการที่ดําเนินไปอยู่ตอนนี้เธอได้สัจจาเท่าไหร่ได้สองกับกําลังจะฝึกกําลังจะฝึกกันไหมกาลังจะฝึกมากาสัจจาแต่นี่โรทัศสัจจาเป็นอะไรเป็นจุดหมายเป็นจุดหมายใช่ไหมเออระหว่ า, างจุดหมายกับทางเนี่ยใช่ไหมจุดหมายต้องเข้าใจไหมต้องเข้าใจ มรรคสัจจาสําคัญไหมข้อปฏิบัติดําเนินการที่จะเข้าไปแก้ปัญหานเนี่เข้าไปดับปัญหาสําคัญมากฉะนั้นคนที่ฉลาดในการดําเนินชีวิตด้วยปัญญาดําเนินมรรคสัจจาคนๆ น, นั้นเขาแก้ปัญหาได้คนที่ไม่ฉลาดมึนซึมซึมงงๆทั้งหลายเหล่านี้ก็ก็แก้ปัญหาในชีวิตไม่ได้ที่ผ่านมาเป็นยังไงไ ม, <c oughs> ไม่รู้อริยสัจใช่ไหมเ <c oughs> พราะการไม่รู้อริยสัจนี่มันถึงเป็นแบบนี้ตอนนี้เริ่มรู้ยัง พอเริ่มรู้แล้วความงงๆมึนๆทั้งหลายมันก็จะค่อยๆหมดไปนะนี่ฉนั้นความไม่รู้อริยสัจเนี่ยมันเสียหายมาถ้ามีปัญหาอะไรครับนี่ไหมหมดเลยเนะี่ยเอาแล้วงั้นสงควรเยาเวลาชั่วโมงกว่านิดหน่อยเนีขอขอให้พวกเราจงมีโอกาสแทงตลอดอริยสัจสี่จนถึงจนเข้าถึงความดับทุกข์